เมื่อเดือนที่แล้วเราก็ตามต่อจากเรื่องเดือนที่แล้วนะเดือนที่แล้วให้พวกเราเรียนเรื่องพุทธบุอืมให้ถือว่าเป็นเรียกว่านักเลงนิพพานน่ะนักเลงนิพพานนักเลงสมาธิจะต้องได้คาถาบทนี้จริงๆจํางจำให้แม่นแล้วก็ฝึก จะกินน้าก็เอาอาการสามสิบสองมาเซ ก, ก่อนอมาชนพูดก็พูดนะแต่มาทําประจำนะติดเป็นนิสัยพอจับอะไรหน่อยก็มาแล้วเนี่ยเมื่อกี้มาสองรอบแล้วพนอะจับปั๊บมันก็มาเลยววดเร็วเลยเป็นภาษาบาลีอย่างเดียวฝึกกองกจะกินน้ํำมาเซ ก, ก่อนจะกินน้ําก็เส ก, ก่อนจําไม่ได้อาการสามสิบสองอ้าว ใครที่จำยังไม่ได้ส่วนมากจำได้เแ๋ยวเอมห้าข้อแรกก่อน <c oughs> อืม <c oughs> เอาเลยก่อนเอาเอาาษาบาลีก่อนอย่างเดียวไม่ต้องแปล <c oughs> กับหลังด้วยได้ไหม <c oughs> เออที <c oughs> อืม ได้ยี่ห้าปอเ็อ๋ใครได้อย่างงี้มั้งเกษาโลมานักขาทันตาตาโจแค่เนี้ยได้กันหมดเลยนะอ้าวต่อไปต่อจากตาโจเปิดแบบก็ได้ตัวศัพท์มันมีไว้ทำไมอ่ะเขาไม่ได้ตรวจหน่วยกิจอ่าต่อไปต่อจากตาโจคืออะไร มังสังนาหารูอ๋ดีๆๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมีๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ นีปัญจกะมีวะกะเป็นที่สุดคือหมวดหา้ามีม้ามเป็นที่สุดหมวดหา้ามีหนังเป็นที่สุดเกษาโลมานักขาทันตาตะโจผมกขนเล็บควันหนังแล้วก็อะไรนะนหารูา อ, าาอ้ามันเจอเจอของจริงแล้ว แสดงว่าทำการบ้านมานี่ต้องอย่างนี้เด็อืมอ้าวได้อย่างลูก ม, มันมัวมันมัวมันมัวแต่ท่องอาการสามสองอยู่เหมือนกันมีใครได้อีกไหมอ้าวเมื่อกี้วักกังจวาเขาจากวักกังอะไรหาทยังหายังยากะนังกิโลมักกังฮะปิหากกัง ปับผาสังนี่หมวดห้ามีปับผาสะเป็นที่สุดอ้าวต่อไปปิตังหมวดห้ามีปิตังเป็นที่สุดอ้าวต่อไป หมดห้ามีเมโทเป็นที่สุดะอหอสุหมดนี่หมดหกเรียกว่าฉัตกะหมดหกหมดหมีฉัดกะเป็นที่สุดเอ้ยหมดหกมีอัสุอัสุเป็นที่สุดอ่ะต่อไป มัตเะเกมัตตลุงคำความน้นจริงเงียบนี่งเงียบคือได้หรือไม่ได้ได้แต่ว่าได้ไม่หมดใช่ไหมเอออ้าวว่าเป็นภาษาไทยผมผนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูก ม้ามหัวใจตับพังผืดายปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีเส้นหาน้ำเสลน้ำดีน้ำสเสลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหือ น้ำลายมันเหลวหรือเปลยวมันนะมันเหลวเป็นไงให้ผ่ลูกให้ผ่อหลานเนียนี่จำไว้นักเลงนผ่านต้องได้อันนี้ ถ้าไม่ได้อันนี้เข้าไม่ถึงรูปเข้าไม่ถึงนามพระพุทธเจ้าเวลาเคยไปให้กรรมฐานพระพุทธเจ้าไม่ให้กรรมฐานอย่างอื่นนะจะให้อาการสามสิบสองเพราะอะไรเพราะเมื่อใดที่เรารู้สึกกับอาการสามสิบสองเมื่อนั้นใจเราอยู่กับกายอยู่กับตัวเองแล้วเราฝึกจิต ไม่ว่าเราจะฝึกจิตสายใดเมื่อเราท่องอาการส2สองจิตที่เราฝึกมานั้นจะปักลงไปสู่อาการ32ที่เราสาธยายในสภาพที่ลึกแม่นกระจ่างมากกว่าคนที่ไม่ฝึกเพราะฉะนั้นเราแค่บางคนก็แค่ภาวนาสมัยพุทธกาล่ะ คนไปบวชอ่ะเวลาท่านสอนก่อตอนบวชหน้าเวลาก็ปลงผมให้พิจารณาว่าผมเนี่ยมันแค่ธาตุอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการแปปวนเปลี่ยนแปลงแล้วก็จะหลุดลุยออกไปในที่สุดเข้าไปสู่ความเป็นดินเดิมคําคำว่าผมนี้ก็จะหายไปผมมีแตะปั๊บเริ่มพิจารณา พอดอีอุปนิสัยมันมีพออยู่แล้วบางคนพอแตะปับ๊บดึงปึ๊ดผมเริ่มขัดเป็นโถดาบบันมักเกิดเลยปับ๊บลากออกไปลากออกไปลากไปเพราะหัวใกล้เกลี้ยงกับเป็นนาคามีก็มีก็ใหญ่ไปเพราะจิตที่มันยั่งเข้าไประลึก ถึงอาการ32สองอันใดอันหนึ่งแต่ละชิ้นนั้นคือกายในกายเข้าใจปะ่ะแต่ละชิ้นน่ะคือกายในกายเป็นกายเล็กที่ซ้อนอยู่ในกายใหญ่คําว่ากายในกายเรานึกถึงผมถ้าคนโดยทั่วไปพอนึกถึงผมมันก็ก็นึกตามสัญญา แต่คนที่ฝึกจิตที่มีสติมีสมาธิพอนึกถึงผมปับ๊บมันปักลงไปมันจะสามารถทำมานัสิการมานสิการในคำว่าผมนี้ออกมาได้หลายลักษณะและเป้าหมายของการทำมานัสิการเพื่อลงเข้าไปสู่ความเป็นจริงชั้นแรกของมันความเป็นจริงชั้นแรกของมันก็คือปฏิกูนพอเจอผมปั๊บเนี่ยความปฏิกูนก็ปรากฏ เวลาเราเดินไปเนี่ยเราเห็นเส้นผมของคนเพราะเรเห็นเส้นเห็นผมปับ๊บเส้นผมตั้งอยู่ตรงนี้จิตสัมผัสกับเส้นผมนี้ปั๊บเกิดความรู้สึกยังไงฮะยิ่งกว่าทองคำเปล่า <c oughs> หรือเหมือนพิซซ่าไหม <c oughs> พอเห็นผมปับ๊บมันรู้สึกงไง <c oughs> มีความรู้สึกรงเกียจ <c oughs> เพราะจิตพุ่งเข้าไปสู่ความเป็นจริงชั้นแรกนั่นคือความเป็นปฏิกูลของมัน แต่ในความที่มันเป็นผมของเราในความที่มันเป็นผมของเราคาว่า <Thanksgiving> ของเราเนี่ยมันจึงปิดบังความเป็นจริงอันนั้นการพิจารณาเส้นผมผู้อื่นจะเห็นความเป็นปฏิก like ูลได้ง่ายแต่การพิจารณาเส้นผมของตนมันจะเห็นความพิจเป็นปฏิกูลได้ยากกว่าแต่มันก็ไม่ได้ยากมากนะ แต่ยากกว่าของผู้อื่นการพิจารณาหนังของผู้อื่นจะเห็นความเป็นปฏิกูลได้ง่ายแต่เห็นแล้วจิตมันเด้งออกไปแล้วมันก็จะไม่เห็นอีกเพราะมันรังเกียจมันก็จะกลับมาชมความสวยความงามของตนเองต่อไปนันการเห็นของผู้อื่นที่เป็นอนิจจังการเห็นของผู้อื่นที่เป็นปฏิกูลการเห็นของผู้อื่นที่มันเป็นความสังเวช จิจะเด้งออกจากการเห็นอนั้นแล้วมันมาอยู่กับความสวยความงามความเที่ยงในความยึดถือของตัวมันเองวันนั้นมันจะเป็นธรรมะต่อเมื่อต่อเมื่อเห็นของผู้อื่นแล้วเกิดความปฏิกูลน้อมการเห็นนั้นเข้ามาสู่ตนดูของตนให้เกิดการเป็นปฏิกูลเหมือนจากการเห็นของผู้อื่น นั่นแหละเป็นปฏิกูลสัญญาเห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นที่ผู้อื่นที่สิ่งอื่นน้อมความไม่เที่ยงอ น, นั้นเข้ามาพิจารณาในอาการ3ามิบสองในตนเห็นความไม่เที่ยงปรากฏในตนขึ้นมาเป็นอนิจจสัญญาเพราะฉะนั้นธรรมะมันจึงไม่ได้อยู่ข้างนอกใช่ไหมมันต้องน้อมเข้ามาข้างใน ทีนี้เราไม่กล้าไงเราไม่กล้าเพราะสติปัญญาเรายัางด้อยเราเลยไม่กล้ามาพิจารณาของเราแต่พอเห็นของผู้อื่นนะเป็นไงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละสองพัน่ะฮะซื้อมาคนยกขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นบันไดมาสองชั้นเดินก็ามาวางเสร็จ พอมันเดินไปไม่ต้องเปิดประตูยังไม่ต้องออกไปมองลงไปเห็นเส้นผมตั้งอยู่สองเส้นสองพันนี่เหลือเท่าไหร่บ า, <laughs> บางคนก็ฝืนใจกินเอาผมนั้นออกแล้วก็กินแต่กินด้วยความฝืนใจแต่ส่วนมากไม่กินไม่กินแต่ถ้าผมตัวเองสองพันนี่เหลือเท่าไหร่ ปันแปะนของเองต้องอยู่เป็นเรื่องเรื่องต่เส้นผมก็ไม่เท่าไหร่เล็บอะเล็บก็ยังพอๆกับผมนะพอได้ไหมนีเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราศึกษา ให้ได้ทั้งสาทยายทั้งเรื่องที่พูดในความอุคหะโกสลใช่ไหมคือการวาจาวาจาคือใช้สาทยายการจำการวาจาการจวดให้แม่นจากนั้นก็ศึกษาเรื่องสีสันฐานทิศโอกาสหมายความว่าสีสันฐานกลิ่น ที่เกิดที่อยู่ว่าเขามีสีเป็นอย่างไรสันธานคือรูปร่างทิศก็คือว่าด้านบนหรือด้านล่างท่านคนที่ช่ำชองในเรื่องการพิจารณาเขาเอาสะดือเป็นกลางตัดสิ่งใดที่อยู่ต่ำกว่าสะดือลงไปเรียกว่าทิศเบื้องต่ำสิ่งใดที่อยู่เหนือสะดือขึ้นมาเรียกว่าทิศเบื้องสูงทีนี้เราจะต้อง ข้าวออกข้าออกอยู่ในกายของตนเองนี่แหละพิจารณาศึกษาเรียนรู้จนมันประจับว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนเออพิจารณาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆการพิจารณาเราก็เข้าสู่ความจริงแรกก็คือปฏิกูลพอมันเป็นปฏิกูลความเป็นปฏิกูลปรากฏปั๊บมันก็เกิดอะไรฮะพอปฏิกูลปรากฏปั๊บมันเกิดอะไร พอมันเป็นปฏิกูลเห็นเป็นปฏิกูลปั๊บใจมันไม่เอาใช่ไหมไม่เอามันก็คลายออกมาแล้วมันก็เลยรู้ชัดถึงความไม่งามเป็นอสุภสัญญาพระพจ้าบอกอสุภานุปัสสีวิหารตังคนที่อยู่ด้วยความด้วยการตามรู้เห็นถึงความไม่งามเป็นปกติจากนั้นก็เออ อินทรีเยสุสุสังหูตังแล้วก็สำรวมควบคุมระมัดระวังอินทรีคือตาหูจมูกลิ้นกายพอชนะมหิจะมัตตันยุงแล้วก็ควบคุมความอยากในอาหารกินฉะดื่มแต่คาแค่ความพอดีเรียกมัตตัญญุงแล้วก็อารัธวิริยังก็หมายความว่าแล้วก็ทำให้ปรารบความเพียร มีความเพียรที่เข้มแข็งแข็งขันขึ้นมานี่เป็นเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเป็นเส้นทางถ้าใครอยู่ในในในองคุณเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่นำพาเราเข้าไปสู่ความขัดเกลาพอเราพูดกันถึงเรื่องของความขัดเกลาเราก็จะมีความรู้สึกว่า มันใช่เหรอที่เราจะต้องมานั่งพูดกันถึงเรื่องของความขัดเกลาในยุคของเทคโนโลยียุคของนาโนยุคของ 5G ที่กำลังจะมาเนี่ยมันใช่ไหมแปงเอ้ใช่ไหมลูกมันใช่ไหมที่จะต้องพูดกันถึงเรื่องของความขัดเกลาใช่ไหมเออดมีหลายคนบอกไม่ใช่แต่คนนี้พยักหน้าทุกเรื่อง มันกลัวหลวงพ่อจะว่าหรือไงมันจำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของความขัดเกลาเพราะอะไรเพราะทุกขณะของเวลาเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสะสมรูปนามหรือกายใจนี้ของเรามันเป็นตัวที่หมกหมมสะสมสิ่งซึ่งนำไปสู่ความทุกข์ให้ฟังให้ดีนะ ทีนี้เราจําเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของความขัดเกลว์เพราะความขัดเกลว์จะเป็นตัวที่จะทําให้เข้าไปสู่ความสุขเรียกว่าความพ้นทุกข์ถ้าเราไม่พูดกันถึงเรื่องของความขัดเกลว์เราก็ปล่อยชีวิตให้มันหมักหมมสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็แก่เจ็บตายไปทุรนทุรายทุกขุ่นวายไป ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องของความขัดเกลาเราก็จะเห็นชีวิตชีวิตหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทะยานอยากและการแสวงหาได้อะไรมาแล้วก็ยึดครองสวนสิทธิ์ไว้แล้วก็จระนีเหนียวแน่น ห, ห่วงแหนป้องกันซึ่งเป็ น, นกลไกที่นําไปสู่ความทุกข์ได้ยากมากได้เยอะมากไม่ใช่ยากหออกไปได้เยอะมากเอาทะยานอยากแสวงหาทะยานอยากได้มา ห, ห่วงแหนป้องกันตระนี ยึดเหนียวแน่นเลยแล้วไอ้สิ่งที่ตนเองทยานอยากเสวหาได้มาทั้งหมดนั้นมันเปลี่ยนแปลงแปรปลวนเพราะมันเปลี่ยนแปลงแปรปลุนเกิดอะไรขึ้นเกิดความทุกข์ขึ้นทุกข์ตั้งแต่เริ่มว่าจะต้องรักษามันให้ได้จะต้องรประคองมันไว้อยู่จะต้องไม่ให้มันหายไปจะต้องไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปมันจะต้องทรงตัวอยู่อย่างนี้ตลอดต่อไปเรื่อยๆได้ไหม มันจึงมีความทุกข์มากพอไอ้ตัวนั้นแตกสลายหายไปแล้วช้ำใจเพราะความพลัดพลาดความทยานอยากและการสเสวีหา mm. ก็เกิดขึ้นใหม่ถูกไหมเออก็ถสวงยนหาเนี่ยรานในชีวิตของคนที่ปล่อยไปตามยถากรรมตามอํานาจของตันหาของกิเลสตันหาที่อยู่ภายใต้ของโบหะและอวิชานี้มันเลยไม่มีอะไรอื่น มันมีแต่เรื่องที่แสวงอ่ะทายันอยากแสวงหาได้มาถือครองสวนสิทธิ์ปกป้องหัวแหนงตรงนีและมองทุกเรื่องด้วยควางใจเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอนมองทุกเรื่องด้วยความขวางใจเป็นนิจจังคือมันเที่ยงมันไม่แปรปรวนเป็นอย่างอื่นแล้วมัน้วยก่อให้เกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ที่เราเรียกกันว่ารัก เรียกกันว่าชังเรียกกันว่ากโกรธเรียกกันว่าอิจฉาเรียกกันว่าริษยาเรียกกันว่าต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เกิดขึ้นมาจากจิตที่มันไปยึดถือสิ่งเหล่านี้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนทั้งสิ้นอืมนันพอพูดอย่างนี้มันเลยปล่อยให้เป็นแต่พยายามจะถามอําเนี่ยมันจะนําเข้าไปสู่ความทุกข์ที่เยอะมากตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางและที่สุดของมัน ไม่มีอะไรเกิดเลยนอกจากทุกข์มันจึงจําเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของความขัดเกลว่าที่นี่ถ้าถ้าไอตัวพวกนี้นําไปสู่ความดับทุกข์มันเหมือนสนิมที่เกิดในเนื้อเหล็กใช่ไหมเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้กระดาษทรายไปทำอะไรขัดเกลเหล็กนั้นเพื่อเอาสนิมออกเพื่อความบริสุทธิ์ของเหล็กเนี่ยไอการขัดเกลเนี่ยมันศึกษากันมาเยอะมากพอพระพุทธเจ้าจะรู้พระพุทธเจ้า จัดอะไรให้ไปตั้งต้นที่ไหนรูปนามรูปนามพระพุทธเจ้าจัดออกเป็นสี่ส่วนคือกายเวทนาจิตธรรมเราเรียกกันว่าฮะสติปัฏฐานในส่วนที่เป็นกายง่ายสุดเพราะมันหยาบสามารถสัมผัสได้รู้ได้ด้วยอารมณ์หยาบเป็นเบื้องต้นมันมีอะไร ส่วนของกายฮะส่วนของกายมีอะไรลมหายใจอิริยาบถฮเออได้หมดอ่ะพอ ม, มันเป็นกายแล้วก็ได้หมดอันนี้ส่วนของของกายนะพระพุทธเจ้าให้ขึ้นต้นที่ลมหายใจที่อิริยาบถ กายโดยความเป็นปฏิกูลก็คืออาการสามสองเนี่ยอาการสามสองนี่ตั้งโดยความเป็นปฏิกูลและโดยความเป็นธาตุนี่คือส่วนของกายเอาส่วนของเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะส่วนของจิตคือความคิดส่วนของธรรมก็คืออารมณ์และสภาวะต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ มันแยกออกไปจากรูปและนามเพราะนั้นเราไม่ต้องพูดถึงสี่อย่างเราพูดถึงรูปและนามพอรูปและนามในร่างกายของเราก็คือสองอย่างใช่ไหมมีรูปกับมีนามนี่พูดแบบสองแบบภาษาบาลีถ้าภาษาไทยก็ว่ากายกับใจจิตก็ยังบาลีอยู่เด้อรูปหรือนามรูปและนามก็คือกายกับใจ กายที่เป็นรูปเนี่ยส่วนไหนลักษณะที่ที่เป็นกายอะคือส่วนไหนฮะลักษณะที่เป็นกายคือที่มันประกอบด้วยธาตุสี่ต้องมีธาตุสี่จึงจะเป็นกายส่วนไหนบ้างอ๋อ กายในส่วนที่เป็นธาตุดินกายในส่วนที่เป็นธาตุน้ํากายในส่วนที่เป็นธาตุลมกายในส่วนที่เป็นธาตุไฟกายในส่วนที่เป็นธาตุดินเม่กีท่องใช่ไหมมีสิบเก้าอย่างอ้าวพร้อมกันหนึ่งเกษาโลมานาคาทันตาตะโจมังสังนารุอัตถีอธิมินยาง วกังหะตะยางยังยกษ์กันังกิโลมักกังปิดหกักกงปับผาสางาังอันตังอันตะคุณังอุดรียงกะรีสังสิบเก้านี่กายที่เป็นธาตุดินโ อ, โอ้พวกนี้เก่งไว้เนาะเออสิบเก้าส่วนที่เป็นธาตุดิน เนี่ยจำไม่ได้แบบนี้นี่คือกายส่วนที่เป็นธาตุดินในกายนี้เอากายที่เป็นธาตุน้ำ ไ ม, ม, е, ม่ไม่ใช่มัตเเกมัตตลุงคังไม่ใช่นี่กาจว่านกมันจะมานกตรงนี้เพราะว่าด้วยความเป็นธาตุมัตตลุงคังต้องยกออกไปสู่ธาตุอะไรฮ <LIN> ะธาตุดินในบาลีเดิมไม่มีมัตะเกมัตตลุงคงังไม่ <c oughs> เขาจัดมัตเเกมัตตลุงคังเป็นอธิมินยาง เป็นเยื่อในกระดูกว่าเยื่อในสมุนเยื่อในกระดูกเหมือนกับว่ากระโหลกศีรษะนี่เป็นกระดูกแล้วมันสมองข้างในทั้งหมดเนี่ยเป็นเยื่อในกระดูกถ้าเยื่อในกระดูกเราก็นึกถึงกระดูกไก่เห็นไหมพอเราฉีกกระดูกไก่ข้างในเราก็จะเห็นเยื่อสีน้ำตาลคล้ายๆเลือดแข็งๆข้างในนั้นน่ะพวกนี้เป็นเยื่อในกระดูกทีนี้ในกะโหลกเราข้างในจะมีเยื่อในกระดูกก็คือมันสมอง แต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นรูปหยาบมันสมองเป็นรูปหยาบท่านเลยจัดการพิจารณาแยกออกมาซึ่งเป็นเรื่องดีจัดแยกออกมาอีกอันหนึ่งสำหรับให้พิจารณาว่าให้มันแยกออกมาจากเยื่อในกระดูกทีนี้มีคนถามกระเพาะอะกระเพาะทำไมไม่ไมีมมมอะฮะควรจะไงกระเพาะมันก็คืออะไร กระเพาะก็คื อ, ยอยเออใช่มันคือลำไส้อุทธริยังคืออะไรตอนนี้ในร่างกายเรามีไหมอยู่ส่วนไหนจ๊ะตอนนี้นะรู้สึกไหมอุทธริยังอยู่ตรงไหนกรดีสัง เออเราหยู่เลยเลยกัเพราะไปเยอะเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วพระพุทธเจ้านี่ทั้งพอพูดถึงอย่างนี้นะเป็นผู้ที่มีพระคุณอันประเสริฐจริงๆจัดวิชาเหล่านี้ไว้อืพอเรานึกอ่ะพอเรานึกว่าผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกท่องอยู่อย่างเนี้ยจิตเราที่ไปรู้สึกว่าผมไปรู้สึกว่าขนไปรู้สึกว่าเล็บไปรู้สึกว่าฟัน แค่รู้สึกนะ ต, ต่อต่อสิ่งซึ่งเป็นของตนเองผมตนเองขนตนเองเล็บตนเองควันตนเองหนังตนเองผมขนเล็บควันหนังไปเรื่อยๆเวลามันรู้สึกอย่างนี้ชื่อชื่อตรงๆอย่างนี้ตามสภาพที่มันรู้สึกได้อย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะที่รู้สึกก็คือว่าราคะไม่เกิดอ่าใช่ไหมลองนึกถึงปอดเอาปั๊บผาสังปอดยังไง ปอดเป็นไงแดงๆอยู่ข้างในเนี่ยปีกใช้ปีกขว า, าข้างในเป็นลูกกลมๆเหมือนกับถุงลมใช่ไหมยั่วเยี้ยไปหมดเลยเป็นรังๆอยู่ข้างในเนี่ยเลยถ้าคนสู่บุหรี่สู่ใบจากข้างในก็บอโอ้ยสีชีดแล้วชีดแล้วดําแล้วนึกซีนึกซีมันมีราคาบ่ะโอ้โหปอดไอ้คนที่มันสวยน่าจูบแล้วกัน <laughs> มีไหมไม่มี พอนึกถึงปั๊บมันรู้สึกเป็นปฏิกูลมันหยุดอกุศลเยอะมากเลยอะลดเรื่องภาระให้กับจิตเยอะมากเอานึกถึงกระดูกอัฐิกระดูกอือโอยคนคนหนึ่งมันเพิ่งได้นางงามจักรวาลมามาเดินให้เราดูเลยเออเราดูมันทะลุผิวหนังออกไปถึงกระดูกตั้งแต่กระโหลกศีรษะลงมาวูเป็นท่อนท่อ มันเกิดอะไรเกินหมดค่าเลยใช่ป่ะหมดค่าเลยไม่เป็นไรสำหรับตัวเขาแต่สำหรับตัวเราอากูสนไม่เกิดด้วยฐานของราคะของโลภะของอิจฉาไม่เกิดมันเกิดไม่ได้ใช่ั้มละ่ะเวลาอากูสนมันเกิดแต่ละครั้งเราสังเกต ด, ดูมันจะมีพวกนี้เกิดก่อนราคะโทสะโบงหะพวกนี้จะเกิดก่อน พอมันเกิดขึ้นมาทีนี้แหละมันจะเคลื่อนไหวการทํางานของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่เบื้องหลังและมันเป็นอกุศลตั้งขึ้นที่จิตโกรธก็เหมือนกันแต่เราไปนั่งดูเนี่ยเห็นแต่โครงกระดูกนั่งอยู่เนี่ยเห็นโครงกระดูกมันจะโกรธไหมเวลาโกรธมามันมาจากไหนอ่ะมันมาจากความสมมุติบัญญัติในการประกอบของทัพพระสัมภาระ ได้อีกสับหนึ่งทัศนระสัมภระก็คือการเอาองค์ประกอบต่างๆมาเข้าเครื่องรวบรวมจึงปรากฏเช่นรถคันหนึ่งอ่ะพระพุทธเจ้าว่าโอ้ยพระพุทเจ้านี่พูดถึงพระพเจ้าอีกแล้วท่านคือที่ที่ธรร ม, มาพูดจะจําจไว้นะไม่ใช่พูดเองนะพระพุทธเจ้าท่านทำไว้ให้หมดแล้วแก้ขนมาให้โยมดูเฉยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเอวังขันฑาจะทา อาญัตนาอีเบขันห้าและอาญัตนาทั้งหลายหกเหล่านี้ <c oughs> แล้วก็มาถึงบอกว่ายาท่าหิอังคสัมภรายาทาหิอังคสัมภาราหมายความว่าเครื่องทัพสัสมภระในชิ้นส่วนต่างๆมันประกอบกันเข้าโหติสัตโตโหติสัตโดระโถอิติ เสียงเรียกว่ารถก็เกิดขึ้นเอาเราดูรถคันหนึ่งรถคันหนึ่งที่จอดอยู่เนี่ยที่เราเรียกว่ารถเพราะอะไรเพราะมันมีชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆที่เป็นอิ้นๆชๆๆมาประกอบแต่ละองค์ประกอบเหล่านั้นล้วนมีชื่อใช่ไหมพวงมาลัยยางนอกอะไรแกนล้อยล้อแม็กบังมาถึงกับ ฟันควงแบตเตอรี่เบา ก, กับไอเหล็กกระโรงหน้าว่าไปด้วยแกออกมาเป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้ น, น, นปับ๊บคำว่ารถมันเป็นไงมันหายไปอย่าทาอีอังสัสมปาราเหมือนทัพประสัมภะที่เข้ามาประกอบกันไวโหติสัทโธรโถอิติเสียงเรียกว่ารถก็เกิดขึ้นเอวังขั้นเทสุสั้นเตสุเมื่อขันห้านี้ยังเป็นอยู่นี่ก็เหมือนกัน มันมีอุปทานอาคารเกิดขึ้นโหติสัตว์โตติสัมมติการสมมุติว่าสัตว์ว่าบุคคลก็เกิดขึ้นอเหมือนกันเพราะนั้นเวลาเราเข้าไปเรียนรู้เรื่องกายในส่วนที่เป็นธาตุดินกายในส่วนที่เป็นธาตุน้ำกายส่วนในส่วนที่เป็นธาตุลมธาตุไฟมันคือการแยก ย่อยศึกษาเรื่องราวของกายนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างตามความเป็นจริงมันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายอะไรก็ช่างเถอะแต่ในที่สุดแล้วมันดับอกูศลเป็นเบื้องตน้นมันเกิดการประหานะขึ้นมามันละได้เลยโกรธใครมันก็เลิกเลิกไหมเลิกโกรธโกรธใครเลิกปาลองไปอยู่พิจารณาดูว่ะ เราก็ท่อนกระดูกเขาก็ทอดกระดูกใช่ไหมไอเราเนี่ยถ้ามวนแค่ภายนอกหนังส่วนที่เป็นหนังเป็นหนังกําพร้าบางนิดเดียวหนังกําพร้าบางประมาณเท่าไหร่ได้วัดได้ไหมฮะวัดได้วัดได้ไหมลูกวัดได้ไหมได้เนยมันบางนิดเดียวอะวัดได้ว่ามันนิดเดียวมากหนังกําพรา้าพอถลอกเอาหนังกําพร้าท้าแรกนี่ออกไปข้างในเป็นอะไรสีจะเหมือนกันคือขาว เพราะฉะนั้นสีของหนังเนี่ยข้างนอกนี่โอยดูแตกตาก่างกันแหละเพราะว่ามันไม่รู้มันโบอกอะไรไปมั่งใช่ไมแต่ว่าพอปลอกหนังกับพระออกไปมันข้างในมันเป็นไงเหมือนกันหมด่ะขาวอมแดงแล้วก็ลึกลงไปหน่อยก็แดงเพราะเพราะหนังชั้นในที่เป็นหนานาหน่อยประมาณสองมิลเข้าไปอีกฉีกเข้าไปเจออะไร เป็นเนือ้อเป็นมันเป็นมันคข้นที่เป็นชั้นชันเป็นริ่มริ่มอยู่ซอกตามซอกตามซอกตามซอกเนี่ยซอกลงไปอีกก็เป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็เป็นชั้นชั้นชั้นชัชั้นชลงไปอีกก็มีเส้นเอ็นคอยรัดคอยรึงไว้ก็มีกระ้อนพร้อมในเส้นเลือดกรีดลงไปอีกฉีกมันลงไปอีกก็เห็นอะไรเห็นกระดูกลงเข้าไปในกระดูกกลางในเห็นอะไรเยื่อในกระดูก มองอย่างนี้เป็นไงอะเรียกว่ามองทะลุความจริงเพราะก็าไปอย่างนี้ไม่มีเกิดไม่มีเกิดหรอกที่มันเกิดเพราะอะไรมันมองแค่นี้แค่นี้แค่หนังกพาพ้าเนี่ยมองแค่หนังกำพ้าเนี่ยแล้วก็สมมุติสมมุติเป็นโปรไฟล์ สมมติเป็นโปรไฟล์ที่เข้ากับยุคกระแสนิยมสมัยพระพุทธเจ้าสมัยโน้นเขาบอกเบญนจักลายานีงามที่สุดต้องประกอบด้วยห้าประการหนึ่งเบนไอ้บรรยายนึงฮะเออเกษกลายานั่งผมงามผมงามต้องแบบไหนสมัยพุทธเจ้าสมัยพุทธกาล ที่เขาหากันนะโอ้โหเพื่นเอ๋อหากันหาเพื่อให้เจอว่ามีพร้อมทั้งห้าอย่างเนี่ยหาผมยอนไอ้พวกย้อมแดงๆเรื่องนี้ ไ, ไม่เอาโอ้ยตกขอบตกขอบหมดอะไอสมัยปัจจุบันที่มันว่างามงามงา ม, งามกันอยู่เนี่ยตกขอบหมดสมัยโน้นผมงามต้องดำออกนินเงาและยาวไปถึงบั้นเอวแล้วปลายผมนั้นต้องม้วนตวัดเข้าใน เรียกว่าทามาเดินอยู่แถวหน้าบ้านเราตอนนี้วิ่งกันน ะ, ะจริงๆนี่เป็นความสมมติเข้าใจยังอ่ะแล้วทำไมคนส ม, มัยนั้นจึงหากันจังเพราะมันถูกสมมุติขึ้นในยุค น, นั้นและมีความเชื่อกันอย่างนั้นโอ้โหถ้าได้อย่างนี้แล้วก็ว่าจะโต้เป็นแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนแม่โนทนแม่นี่ก็ว่าไปมันเป็นความสมมติ พะมาสมัยนี้ไปไงเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วไม่รู้ก็จะปรบต่อไปมันก็เปลี่ยนอีกอ่ะนี่ก็ผมเองนะเกษาก็อะไรอย่างต่อไปอะไรกว่าผมงามฮะริมฝีปากงามริมฝีปากเนี่ อ, อริมฝีปากนี่หมายถึงสีของริมฝีปากนี่จะต้องสีเหมือนกับ ผลตําลึงสุขที่เราพ่าออกมาเป็นธรรมชาติเออนี่พอรับได้อันนี้พอรับได้เอากระดูกงามก็คือฟันที่เรียบขาวเหมือนสังขัดอนึกภาพบอกดินึกภาพบอกสังหอยสังที่เขาเอามาขัดขัดขัดขขัดไร้ขาวขาวเหมือนสังขัดแล้วก็เรียบสนิทรับกับรูปของริมฟีปากได้เออันนี้พอรับได้ใช่ไหม พอรับั้นในปัจจุบันนี้เราก็พยายามไปตัดกรามไปทำน้นทำนี่เพ <อ S 1> ื่อให้มันให้มันได้ตรงนี้มาก็โอโอโอโอเคโอเคได้ได้ได้ไดไดอ่าต่อไปอะไรอะไม่ไมไม่มีจมูกฮะยกนี้มันเพิ่มไปหลายหลายหลายหลอ่าไม่มี เมื่อกี้ปากผมริมพี่ปากฟันต่อไปหนังผิวหนังผิวหนังผิวงาม <c oughs> ก็มันมีทั้งสองแบบนะในพุทธการมีทั้งดำดำที่นินเงา <c oughs> เออเราก็ไม่แปลกที่เห็นพวกนางงามบางคนมันออกมาผิวดำได้นะ <c oughs> นินเงาเด้ข้อสำคัญคือวัยงามหายากวัยกะกัละยาณังนี่หายากอะอะไรนะหายากเขาว่าคลอดลูกสิบคนเหมือนไม่ได้คลอดลูกไหมแต่คนเดียวหมายความว่าไงหมายความว่ามันไม่แก่ นางวิสาขาได้เป็นจกัลยาณีข้อนี้นะร้อยยี่สิบปีเดินตามหลังนี่ทั้งลูกทั้งหลานทั้งเหลนเต็มไปหมดเลยหาแยกไม่ออกนะว่าใครคือนางวิสาขาคิดดูอยากเป็นไหมนี่เรียกว่าวัยกัลยาณนังซึ่งปัจจุบันบางทีมันก็มีเหมือนกันนะแต่ในในเดี๋ยวนี้เราคืออะ สมัยนี้ก็โบทกแต่ว่ายุคปัจจุบันเนี่ยในยุคพระพุทธเจ้ามันมีแบบนี้ยุค ก, ก่อนหน้นนี้มันมีแบบนี้เพราะระบบต่างๆเนี่ยมันอยู่ในสถานภาพที่มีความสมดุลแบบนี้แต่ระยะการจากสมัยพระเจ้ามาจนถึงวันนี้เราต้องพิจารณาว่ามันเกิดอะไรขึ้น ความหลงความโลภความอิจฉาความขยานขักิเลสตัณหาของมนุษย์เนี่ยโหยมันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันมันเจริญพัฒนาก้าวหน้าเยอะมากมากจนถึงขนาดไหนมากมากจนถึงหาเกณฑ์มาตรฐานในความสวยความงามไม่ได้มากจนถึงขนาดที่ว่ า, อ, าออกจากเรื่องโลกนี้ไม่ได้มากจนถึงขนาดที่ว่า แม้เปรียบเหมือนแมลงเม่าที่มันชอบแสงไฟมันบินบินอยู่อ่ะเข้าไปในกองไฟเพราะไฟมันสวยมากสาหรับแมงเม่าไฟไหม้ปีกขาดกระเด็นร่วงลงมาตกห่างจากกองไฟแทนที่มันจะรู้สึกไม่หันหน้าตั้งหัวตรงเท้าตะกุยตะกุยตะกุยวิ่งไปหากองไฟอีก เข้าไปถึงเจอแสงไฟไฟไหม้ขาขาดกระเด็นออกมาคลานไม่ได้แล้วกลิ่งกลิ้งิงกลิ้งิ่งกลิ้งเข้าไปหามันอำนาจของกิเลสตนาที่มันพัฒนาต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันนี้โดยอาศัยซอฟต์แวร์ไดร์ดแวร์ด้วยแอปพลิเคชันด้วยทั้งหมดเนี่ยมันสร้างสรรความคล่องตัว ของกิเลสตัณหาทั้งนั้นเพราะมันเป็นอย่างนี้การเจริญของสิ่งที่ชื่อว่าธรรมมันยากและเราจะเข้าไปสุกษสาอาการถามวิสองจะนั่งคุยกันอย่างวันนี้เนี่ยไม่มีนอกจากไปนอนโรงพยาบาล <c oughs> นอกจากไปนอนโรงพยาบาลให้หมอตรวจภายนอกภายในมึงจะคุยกันได้ทำไม่เง้มันก็ไม่ได้คุยกันหรอก ที่จะได้คุยกันอย่างนี้เพราะคุยอย่างนี้ถ้ามันเป็นยังไงอะมันคุยกันเข้าถึงความเป็นจริง <c oughs> ของกายและใจที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสแยกไว้โดยธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ <c oughs> ทีนี้เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยการพิจารณาถ้าเราจะเริญนสติหรือปฏิบัติธรรมในสายไหนก็ตามไม่รู้เรื่องเหล่านี้เราจะเข้าไม่ถึงกายเราจะเข้าไม่ถึงกาย เราอ้างว่าเราฝึกความรู้ตัวอย่างเดียวความรู้ตัวที่เราพูดถึงว่าเรารู้ตัวอย่างเดียวนั้นมันแทรกเข้าไปไม่ถึงกายเว้นไว้แต่คนที่มันทำอะไรไม่ได้เช่นนอนอยู่บนเตียงแล้วมันทำอะไรไม่ได้ก็ไม่ให้จิตมันหลุดออกไปไหนไม่ให้จิตมันออกไปปรุงแต่งที่ไหนให้มันจับอยู่ที่กายอยู่ที่กายจับอยู่นิดนิดนิ ด, น, ดนิดได้ แต่อย่างเราเนี่ยเราใช้อายตนะในการส่องเสพจากการเห็นกันฟังการสัมผัสการลิ้มรสการดมกลิ่นจิตเราที่ฟอกอตกผลึกกับอาสาวะมันขยากจะเห็นรูปสวยๆอยากจะฟังเสียงเพราะๆนี่พระเทศก็เหมือนกันนะถ้าฟังเสียงไม่ถูกหูแล้วมันก็ไม่อยากฟังใช่ปะแสะดงว่าตั้งใจกันตาแป๋วนี่แสดงว่าเสียงเพราะเนี่ย อยากฟางเห็นรูปสวยๆอยากฟังเสียงเพราะๆอยากดมกลิ่นหอมๆอยากสัมผัสรสอร่อยอร่อยที่ถูกลิ้นแล้วก็อยากมีการสัมผัสเย็นร้อนอองแข็งที่นุ่มนวลชวนให้สบายชวนให้มีความสุขใจเนี่ยอำนาจของของความสะยานอยากที่มันมันกําลังจะทยานออกไปอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่อายตนะเนี่ยมันก็จะต้องสแสวงหารูปที่ ถูกอะไรรูปที่ถูกอะเออชี้ตรงนี้ก็ตอบว่าตาแต่จริงๆรูปที่ถูกใจเสียงที่ถูกใจอย่าไปหูหูอีกรูปที่ถูก<จ>เสียงที่ถูก<จ>กลิ่นที่ถูกเ<จ>ออชี้ตรงไหนก็ใจหมดเห็นไหมล่ะเนเก่งมากอรถที่ถูก<จ>สัมผัสที่ถูก อารมณ์ที่ถูกอความพร้อมที่มันจะทยานหาสิ่งเหล่าเนี้ยมันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่มีความรู้ของพระพุทธเจ้าเรื่องอาการสามสิบสองเข้ามาประคองให้ทรงอารมณ์ของมันไว้เราจะไม่สามารถเข้ามาถึงในส่วนที่ชื่อว่าธรรมเลยเหมือนเมื่อเช้าที่ยกตัวอย่างให้ฟังเรียกว่าฮิริแปลว่าอะไรแปลว่าความละอายแก่ใจเกิดตอนไหนไม่รู้ ไม่รู้เพราะว่าพอมันมีความไม่ดีมันมีความชั่วขึ้นมามันทำไปแล้วอ่ะแล้วเรามาบอกทุกคนจงมีฮีริกันเดี๋ยวนี้ทำได้ไั้ยไม่ได้ฮีริมันจึงอะไรมันเป็นผลของการที่มีสติสมาธิแข็งแรงเว้ยเออฮีริที่จะเป็นผลจากการที่มีสติสมาธิแข็งแรงฝึกฝนขัดเกล่ นี่แหละที่เราจะต้องขัดเกลวฝึกฝนขัดเกลวไปเรื่อยๆ เ, เ, เมื่อมีสติกับสมาธิที่แข็งแรงปั๊บพอมีอกุศลเคลืค่อนปึ๊บจิตมีสติและสมาธินั่นคือมันสะอาดใช่ไหมละ่ะอกุศลเป็นเหมือนสิ่งสกรปรกเกิดขึ้นในท่ามความกลางสะอาดเหมือนคนที่มีเสื้อผ้าผ้าขาวๆเงี้ยสะอาดสะอาดเนี่ยแล้วอยู่ๆมันมีสิ่งส ก, ร ป, กประกมาแตะปั๊บมารู้สึกยังไง ร, รู้สึกไม่ได้ต้องกําจัดใช่ไหม อาการของฮิริของคนที่มีสติและสมาธิพัฒนาขึ้นมาแล้วเพราะมันมีอากัสคือเพื่อนตัวในจิตปับ๊บมันรู้สึกเลยมันละอายใจมันละอายใจมันจึงเป็นผลของการเจริญสติมันมาเองมันมาเองไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติทำมัน ท่านบอกว่าฮิริโอตะปะเป็นธรรมคุ้มครองโลกคือถ้าหากว่าคนในโลกนี้มีฮิริโอตปะรับรองเลยโลกนี้จะมีความสุขและจะมีการคุ้มครองก็ถ้าคนมีความละอายในการที่จะทำความไม่ดีคนมีความละอายแก่ใจในการที่จะทำความชั่วมีความเกรงกลัวในเรื่องของการทุจริตโลกนี้น่าอยู่ป่า สองอย่างเนี้ยแค่สองอย่างเนี้ยน่าอยู่เป่ามันจึงเป็นสิ่งที่คุ้มครองโลกอย่างแท้จริงได้แต่สองอย่างนี้เราจะสร้างเขาขึ้นมาได้ยังไงให้มันมาตั้งอยู่ที่ใจของคนเนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาสติสมาธิและปัญญาให้มันถูกต้องนี่ก็เหมือนกันเหมือนกันกับการที่เราจะรู้ตัวกับการที่เราจะรู้สึกตัว กับการที่เราจ ะ, จะเจริญสติในสิ่งที่ชื่อว่าสติมันจะต้องเข้าให้ถึงรูปถึงนามเข้าให้ถึงกายถึงใจมันจึงจำเป็นที่จะต้องจำอาการสามสิบสองให้ได้ล่ะถึงบอกอาทิตย์เดียวเมืเดือนที่แล้วบอกว่าเราต้องจำให้ได้นะยิ่งพอได้ฟังอย่างนี้เข้าใจความหมายเข้าใจความสาคัญต่อไปพอนึกถึงผมแล้วเป็นยังไง อย่าพ ย, ายักหน้าอย่างเดียวที่รู้เลยไอ้พยักหน้าอย่างเดียวมันไม่ได้ร่วมมือของพ่อเรา <im pless> เว้ยงงพอนึกถึงผมแล้วเป็นยังไงพอนึกถึงผมเราก็นึกถึงอะไรสีสันฐานกลิ Green ่นที่เกิดที่อยู่อ๋แค่นี้พ อ, อเรานึกถึงสีผมของเราสีอะไรสีอะไรก็สีนั้นแหละ จริงๆมันดำใช่ป่ะล่ะใช่ไหมแล้วก็ไปกรบใช่เออออก็ก็ไม่รู้แหละของใครสีอะไรก็สีนั้นน่ะแต่โดยมาตรฐานมันคือสีดำอ้าวพอจับเส้นปั๊บดูสีมันสีดำใช่ไหมรูปร่างรูปร่างเป็นไร เป็นเส้นเส้นยาวๆวอ้าว เ, นะเกิดที่ไหนนะผมนะเกิดที่ไหนเมืองหนังศรีสากอบบนศรีสาเ่านี่แหละเอาดูขอบเขตเขาซีเขาอยู่ยังไงเนี่ยเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องหลังเพียงปลายคอต่อเบื้องฝางนี่มีหมวกหูสองข้างเป็นที่สุด บริเวณนี้เรียกว่าผมอันนี้คือขอบเขตเขาที่อยู่ที่เกิดแล้วก็มีอะไรหล่อเลี้ยงไอ้ที่เกิดกองเขาเนี่ ย, นยในทีษะาก็เกิดยังไงรากของผมฝังอยู่ในหนังศีรษะรากตัวรากมีตัวคล้ายๆ ก, ยกับตัวเหา ถือฝังอยู่ drew. และในลักษณะของการปักในหนังศีรษะนี้มันปักในแนวเฉียงขึ้นไปไม่ใช่ปักในแนวตรงปักในแนวเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปเฉียงขึ้นไปเส้นผมเส้นหนึ่งจะไม่รู้จักกับอีกเส้นผมอีกเส้นหนึ่งและเส้นผมเส้นหนึ่งก็จะไม่เป็นเพื่อนกับเส้นผมอีกเส้นหนึ่งเส้นผมเส้นหนึ่งก็จะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกับเส้นผมอีกเส้นหนึ่งต่างคนต่างอยู่ ใช่ไหมเออเอา้าวอะไรหล่อเลี้ยงอ่ะอน้ำเหลืองน้ำเลือดเพราะว่าวิตามินที่เกิดมาจากการต่างๆที่เรากินก็ไปบารุงผ่านขั้นตอนการกลไกของร่างกายเสร็จแล้วก็ไปตัวตกผลึกเป็นน้าเลือดใช่ไหมน้ำเหลืองก็ไปบำรุงหล่อเลี้ยงนั้นที่ที่รากของผมแช่อยู่นั้นมันแช่อยู่ในน้ำเหลืองน้ำเลือดนั้นเอง เออมันสกระปรกหรือสงอาดอะโคตรโคตรเลยทีนี้เพราะฉะนั้นทำไมเราจึงรู้ว่ามันสกระปลกเพราะมันคายสิ่งที่ออกมาจากการชุ่มแช่อยู่ในหนังศีรษะนั้นมันคายอะไรออกมาฮะอะไรนะเออถ้าถ้าถ้าอากาศร้อนๆก็จะมีมันเหลวออกมาด้วย มีมันเหลว อ, ออกมาด้วยใครอะไรออกมาอีกเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาไทยบ้านๆเขาเรียกอะไรขี้หัวฮะเขาเรียกขี้หัวถ้าหนาไปกว่านั้นอีกทาไม่ได้รับการดูแลอย่างดีปล่อยเข้าไปเรื่อยๆ เ, ย เ, ย เ, ยเยขาจะเป็นชิ้ น, น, นหนาๆเกลือๆกลางๆเรียกว่า เพิ่มความคันเข้าไปเป็นดวงดวงด่างด่างเขาเรียกว่าเออถ้าว่าเป็นที่พระเขาบอกว่าพระนิฉันแล้วไม่ปัดเออทั้งหมดมันเกิดจากอะไรเกิดจากเพราะมันหมกตัวชุ่มแช่อยู่กับสิ่งสกกระปลกโศโครกใช่ไหมเล่าอืม ไม่มองหน้ากันเลยมองหน้ากันอหน้ากันมันเรื่องจริงลเลยอย่าไปเจ้าหลงโกนมันมากแต่ว่าเราไม่ใช่ว่าที่พูดแบบนี้ให้เรารู้ไม่ใช่ว่าให้เราไปรังเกียจเดียดฉันมันจนถึงขน า, าดที่เรียกว่าปล่อยให้ดูไม่ได้มานี่แล้เขาก็ไม่ให้เข้าอาจารย์ผู้วันวันคิดมากแล้อ้าวทีนี้ ทีนี่เราก็ตอมันรู้เรื่องผมให้มันจบก่อนพอตอนนั้นเราดูอะไรอีกพอเรารู้อย่างนี้เสร็จท่านให้พิจารณาพิจารณาว่าเส้นผมของเรานี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนผมตัวเองไม่รู้เหรอเกิดเมื่อไรไม่แน่ใจฮะ่อา้าวเกิดตอนไหนฮะคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่ไหม อะเกิดตอนไหนเพราะว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนคลอดที่โรงพยาบาล น, น่ะพอมันคลอดมามเห็นผมห้องมาแล้วใช่ไห ม, ไมเพราะฉะนั้นมันก็โดยประมาณน่ะห้อกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แหละหแต่เดิมมันมีไหมแต่เดิมมันมีมไหมตัวเราเวลาเราอยู่ในท้องแม่เนี่ยเริ่มต้นนี่เป็นกนละขนาด อ่ะหาขนาดตรงนี้ไม่มีขนาดเหมือนกับเอาเส้นได้สามเส้นฟันกันแล้วก็จุ่มลงในน้ามันงาณะนี่อธิบายตามโบราณเลยจุ่มลงในน้ามันงาแล้วยกเส้นได้นี้ขึ้นมามีหยดน้ํามันงาติดอยู่ตรงปลายเส้นได้เนี่ยเรียกว่ากลละขนาดเท่านั้นอือตอนนั้นมีผมไหม ไม่มีอา้าวข้าวมาหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์ที่สองเรียกว่าอภโรชะขุนขึ้นมาหน่อยมีผมไหมไม่มีอาทิตย์ที่สมเรียกว่าเปสิมีวิญญาณลงปฏิสนธิเริ่มเริ่มขุนขึ้นมาเป็นก้อนก้อนแต่ยังเป็นเหลวเหลวอยู่นั่นเรียกว่าเปสิตอนนั้นมีผมไหมอา้าวต่อไปเป็นคันนะคือเป็นก้อนเนื้อแล้วกลมกมก้อนเนื้อกลมกลมแล้ว เอามีผมไห ม, ไมหอกตอนนั้นก็แย่ดิอา้าวมาต่อสัปดาห์ต่อไปแตกเป็นปุ่มเป็นห้าปุ่มเขาเรียกปัญจาสาขาเป็นปุ่มหัวปุ่มแขนสองข้างปุ่มขาสองข้างมีผมไหมอย่างไม่มีผมมันจึงเริ่มเกิดหลังจากที่มีปัญจาสาขานี่อืมเอามันเกิดตอนนั้นใช่ไหมเกิดหลังจากปัญจะสาขาแล้วตอนไหนไม่รู้เลยแต่มันเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องแม่นั่นแหละ แต่เดิมมันไม่มีมันมาฮอกเอาตอนนั้นเมื่อฮอกแล้วมันอยู่บนหัวของเราเนี่ยบางเส้นมันก็หลุดไปบางเส้นมันก็เพิ่งองอกขึ้นมาใหม่ไปเรื่อยเรื่อเรื่อยเืย่มันเปลี่ยนแปลงสีมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเรืยืเยเจนในที่สุดมันไม่หลุดออกไปด้วยโรคอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เมื่อธาตุสีนี้มันเข้ากันไม่ได้ดินไม่เข้ากับน้ําน้ําไม่เข้ากับดิน น้ำพยายามแยกแทรกธาตุดินออกมาตอนนั้นเส้นผมเป็นยังไงมันจะรังแต่จะหลุดออกจากหนังหัวของเราแล้วก็จะย่อยสลายตัวเองอยู่กลายเป็นดินแท้ไปกลายเป็นดินเดิมไปการที่ธาตุมันไม่สมานกันเพราะอะไรเพราะเราตายใช่ไ้ม กายที่มันตายธาตุไม่สมานกันแล้วพอมาพอมันธาตุไม่สมานกันเนี่ยอุณหภูมิต่างๆมันมันดับไปหมดน้ำมันเลยจะแทรกตัวเองออกมาจากกายดันออกมามันจะมาทางไหนก่อนจากทวารทั้ง9ก้าก่อนใช่หมหลังจากนั้นมันเยอะมากอ่ะนอไม่ทันแล้วมันก็จะฉีกท้องออกมาแทรกมันแทรกออกมา เวลามันแทกออกมานีน่ดินดินดินธาตุดินเนี่ยมันจะยุย่ยุยแล้วจะยุย่ยุยแล้วอ่อนตัวแล้วธาตุน้ํามันก็จะแทรกออกมาซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมันซึ่งผมที่อยู่ที่หนังศีรษะของเราเมื่อเมื่อหนังหนังศีรษะมันเริ่มยุยอ่อนตัวแล้วผมมันก็จะค่อยคอยหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปหลุดออกไปแล้วมันก็ไปย่อยสลายที่หลัง พอมันย้อยสลายออกไปสายหลังออกไปจากคำที่ชื่อว่าผมของเราเป็นไงเป็นไงอะ่ะผมของเรา<ง>ที่เราหวีไปอย่างเนี้ย <c oughs> ตอนนั้นตอนนั้นเป็นไงฮะมันเข้าไปสู่ความเป็นดินเดิมไปคำว่าผมก็หมดไปมันเกิดขึ้นแปรปรวนแล้วก็ดับไป <c oughs> ผมเส้นหนึ่งเป็นอย่างนี้ เส้นถ้ามีสองเส้นสองอีกเส้นหนึ่งเป็นด้วยไหมอีกเส้นหนึ่งเป็นด้วยไหมทั้งหัวเลย ท, ทั้งหมดเนอย่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วเรามีอยู่ในเส้นผมไหมเส้นผมมันมีอยู่ในเราไหมเออเชื่อตอบกันง่ายๆเก่งฉลาดหมด <laughs> มันควรค่ากับการที่เราจะต้องท่องจํำไหมล่ะเออ เอาเล็บ ก, ก็เหมือนกันพิจารณาในทํานองนี้ฟันืมเนี่ยเอาฟันฟันยิ่งหน้าพิจารณานะเพราะมันเข็นได้น้ำลายของเราที่เรากลืนไปเราว่ามันสะอาดไหมแต่มันมีประโยชน์ต่างการแพทย์นะเว้ เพราะฉะนั้นถ้าเราบ้วนน้ำลายออกมาแล้วเราต้องกลืนเข้าไปใช่ไหมมันเป็นประโยชน์ตางการแพทย์นะน้ำลายมีประโยชน์ตางการแพทย์ใช่ไหมคุณหมอเออเราต้องกล้องกลืนเข้าไปถ้ามันออกมาจากปากของเราแล้วเฮ้ยมันเป็นประโยชน์ต่อการแพทย์นี่มีไหมยกเว้นแต่เสมหะเสมหะมันเป็นโทษใช่ไหม แล้วก็ขากมันออกมาอันนี้อนุญาตว่าไม่จําเป็นต้องกืนเข้าไปแต่น้ําลายมันมีประโยชน์ทางการเพศพอเราบ้วนออกมาแล้วเราทำยังไงไม่มีใครกืนก็ไปหรอกเวลาคนมาบอกว่าเขารักเรานักหนาบ้วนน้ําลายให้เขาเขาจะกินไหมเหะอบ้วนน้ําลายออกจากปากให้เขากินเขากินไหม เขาไม่กินหรอกอ้าวแล้วเขาบอกว่ารักเราเขาก็จะตอบแบบว่ากอนน้ำลายมันไม่ใช่ของเรา <c oughs> น้ำลายที่อยู่ในนี้ทอกเนี้ยซึ่งมันกลัวกล้วอยู่กับในอุ้งปากของเราเนี่ยที่เราเนี่ยมาพูดถึงฟันฟันของเราอยู่หอกกับกระดูกคางข้างบนข้างล่างใช่ไหมข้างบนล่างนี่โดยประมาณสามสิบสองซี่แต่ละซี่บางซี่ก็จะมีฐานของรากของขันร่วม ขบวนน้น ล, ล่างเนี่ยรากควันมันจะใช้ร่วมกันบางบางรากก็มีควันสองซี่ออกมาจากกระดูกซี่เดียวกันฐานเดียวกันอะไรเงี้ยเป็นปเนี่ยวันนี้แต่เดิมมีไหมไม่มีะไม่มีมันเพิ่งมีตอนไหนอะ่ะอ่ะหมอตอบแปเดือนเหรอเฮ้ยออกจาก ออกจากท้องแล้วยังไม่มีเลยนะมันเริ่มฮอกที่หลังแต่มันอยู่ข้างในใช่ไหม ม, มันยังไม่โผล่ออมามหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆโผล่ออกมาโผล่ออกมารุ่นแรกๆเขาเรียกว่าควันน้ำน ม, มหลุดออกไปรอบหนึ่งแล้วและรุ่นที่สองออกมาเขาเรียกว่าควันแท้ควันแท้แต่ไม่แน่ ควันแท้แต่ไม่แน่ออกมาถึงก็เป็น ไ, ไงเราต้องเสียเงินหาหมอควันคนคนหนึ่งนี่นะหมอที่รวยที่สุดในประเทศไทยตอนนี้นะไม่ต้องบอกหมอเลยหมอควันใช่้ไอ้ไอ้ไอ้ควงสวานอันเดียวตรงเนี้ยอุปกรณ์เครื่องมือนิดเดียวมันรวยเอารวยเอาที่ยิ่งถ้ามีชื่อนะ เข้าคิวเลยนะโอ้เราต้องพิจารณาถึงฟันว่าไม่มีฟันในเราเราไม่มีในฟันนั้นเห็นฟันเป็นแค่ธาตุธาตุอย่างหนึ่งเรียกว่าธาตุดินที่มันมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางแล้วในที่สดุดอ้าวพอธาตุดินแตกสลายเอย้ไม่ใช่พอธาตุสี่แตกสลายไม่เข้ากันแล้ว น้ำพยายามแทรกดินออกมาดินก็พยายามย่อยสลายตัวมันเองนะฟันก็จะหลุดออกจากตรงนี้แต่เขาจะหลุดช้าหน่อยเขาจะหลุดช้าหน่อยเพราะความแคนแข็งเพราะความหนานแน่นของความเป็นธาตุแต่ในที่สุดแล้วก็ผุยย่อยสลายกลายเป็นดินเดิมไปหมดไอ้หนังนี่เมื่ อ, อกี้พูดแล้วเนื้อก็พูดแล้วเนื้อก็รู้จักรู้สึกได้นะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอาการสามสิบสองนี่เวลาฟังอรรมาพูดเนี่ยไม่ว่าพูดเรื่องเรื่องผมเรื่องหนังเรื่องฟันพอพูดปับ๊บเราได้นึกไปถึงของเราไหมนึกถึงไหมเออแล้วมันดีไหมล่ะรู้สึกมันสลดหดหูอะดิแต่มันคือความจริงที่เราจะต้องเรียนรู้ก็ เพราะความจริงของกายใจนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามกายใจนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าจะตรัสหรือไม่ตรัสก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหนีความเป็นจริงอย่างนี้ไปไม่ได้ ให้เราโชคดีที่ได้นั่งมาพูดได้มานั่งฟังว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแต่ท่านนามาบอกเปิดเผยพวกเราก็ได้รู้กันความเป็นจริงกายใจนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราปรารถนาอะไรอาสวะมันปรารถนาอะไรอาสวะมันปราปารถนานิจจังสุขขัง อัตตาถามดิคนที่เป็นปุตูุชนทั่วทไปปรารถนาอะไรนิดอย่างไม่ปรารถนาความเปลี่ยนแปลงสุขขังคือความสุขใช่ไหมแต่จริงๆมันคือทุกอัตตาคือความเป็นตัวเป็นตนแท่จริงมัน มันรอการแตกสลายที่ไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราปรารถนานิจจังสุขขังอัตตาความปรารถนาของเรามันขัดแย้งกับความเป็นจริงเราจึงต้องต้องอะไรถูกเราต้องเสียน้ำตา กี่ครั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วกับการที่มันเกิดอนิจจังเราต้องเสียน้ําตาเท่าไร่เท่าไหร่กับการที่มันเกิดทุกขังเราต้องเสียน้ําตาไปเท่าไร่เท่าไหร่กับการที่มันต้องเกิดเป็นอนัตตาเราต้องสูญเสียไปเยอะมากกับความจริงเหล่านี้ปรากฏเพราะอะไรเพราะเราอยู่บนฐานของความไม่เป็นจริงเราอยู่ในสมมุติฐานของความไม่เป็นจริงว่ามันต้องเป็นนิจจังคือมันต้องเที่ยง ไอ้คำว่าฉันเนี่ยมันต้องเที่ยงมันต้องแข็งแรงมันต้องบึกบึนมันต้องโอ้โหตลอดการตลอดไปมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แท้จริงมันเป็นทุกขงังแต่เราปรารถนาอะไรสุขขงังทุกขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่สุขขงังทนอยู่ได้เป็นอยู่ง่าย สบายเราปรารถนาสุขังอะแล้วเราต้องทุ่มเทหลายสิ่งหลายอย่างมากต้นทุนในการใช้ชีวิตของเราจะสูงมากกับการที่จะประครับประคองให้เกิดความเป็นนิจจังกับการที่จะต้องประครับประคองให้เกิดความเป็นสุขขังกับการที่จะประครับประคองให้เกิดความเป็นอัตตาต่อเนื่องเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยเราเราทุ่มเทมากใช้ต้นทุนสูงมากแต่สุดท้ายได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอะไร มันเป็นสัจจะมันเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติแล้วเรามาทึกทุกวันนี้เพราะอะไรที่เรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไรเพราะอานิจจังเพราะทุกขงังและเพราะอนัตตาถูกไหมทำไมถึงว่าอย่างนี้เพราะอานิจจังเพราะอะไรเพราะมัน ไม่เที่ยงไงมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมาเรื่อยๆใช่ไหม mm hmm. ก็ทิศเมื่อกี้จะพูดว่าจากกุลละกุล mm hmm. ละอภิชเปสิขณนะ mm hmm. ปัญจาสาขา mm hmm. เป็นตัวอ่อนแล้วก็หมุนอยู่ในท้องของแม่หมุนหมุนหมุนหมุนพอได้จังหวะก็คลอดออกมาอยากเป็นตัวเล็กๆ เ, เด็กอ่อนๆหลังจากนั้นก็แปลเปลี่ยนมาเรื่อยๆ เ, เป็นฟัม่มตะแคงนั่ง ลนยืนตั้งไข่แล้วก็ตกแตกตกแตกตกแตกตกแตกไปเรื่อยเรืยืืจนมาเป็นอย่างเงี้ยจนมาเป็นอย่างเงี้ยกว่ามันจะมาเป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงแปลปวนมาใช้ทักเท่าไหร่ถูกไหม<ว>เพราะฉะนั้นความเป็นอนิจจังทําให้เราเป็นแบบนี้ความเป็นอนิจจังทําให้เราเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วสุขขังความเป็นทุก ข, ขังอ่ะทุก ข, ขังคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ ทุกๆระยะของชีวิตเราเลี้ยงลูกมาในลูกเราตัวเล็กๆน้อยๆมันน่ารักใช่ไหมเราก็อยากอยกให้ลูกเราน่ารักอย่างนี้เสมอไปพอมันโตมาเป็นสาวอย่างเงี้ยโอมันดื้อกับเราเราเสียใจใช่ปะ่ะโอ้ยทําไมเมื่อตอนเด็กๆมันไม่ดื้อย่างนี้สมมติสมมติอ๋อใช่ไหมตอนเด็กๆน่ารักพอโตขึ้นมามันดื้อไว้มันดื้เอเรายทำไมมันดื้อย่างงี้เนาะเพราะมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเืยๆื่อยๆมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่ว่าเป็นทุกขังมันไม่ใช่ความทุกข์แบบช้ำอกช้ำใจไม่ใช่คือมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ไม่มีอะไรไปขัดขวางให้มันคงทนอยู่ในสภาพเดิมนั้นได้พอมันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปอ้าวอนัตตาอนัตตาเกิดยังเป็นยังเป็นแล้วอนัตตานี่มันหายไปทั่วทุกขณะเลยนนเนี่ย มันดับไปทุกขณะดับไปทุกขณะดับไปทุกขณะแม้แต่คําพูดของหลวงพ่อที่พูดออกไปเนี่ยมันก็เป็นอนัตตาไปแล้วอนัตตาไปแล้วอนัตตาไปแล้วอนัตตาไปแล้วดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปดับไปชีวิตของเรานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เซลล์เล็กๆเป็นจุลินทรีย์ตัวข้างในข้างหลังที่รวบรวมกันอยู่เนี่ยโอ้ยมันดับไปดับไปดับไปเยอะมากเยอะมากทุกกิริยาบทกริยาทั้งหลายทุกๆกิริยาที่เคยผ่านมาในชีวิตของเรามันดับไปไม่รู้ต้งเท่าไรแล้วขณะที่นั่งพูดอยู่นีีี่่มมืือออกกัันน้้เดบไปแลว ใช่ไหมนี่อันนี้นี่อันใหม่นะเมื่อกีก้ดับไปแล้วดับไปแล้วดับไปแล้วนี่ก็อ่านใหม่มันดับไปดับไปอยู่ตลอดเวลาอยู่อย่างนี้แล้วในที่สุดมันแยกย่อยสลายธาตุแล้วก็ดับสลายออกไปจบสิ้นกันเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเพราะนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตามันเกิดเป็นธรรมชาติของมันทรงเราขึ้นมาเราไม่ปรารถนาไงเราไม่ยอมรับเพราะอะไรเพราะมันขัดแยง้งขัดแย้งกับอะไรขัดแย้งกับราคะ ขัดแย้งกับโทสะขัดแย้งกับโบหะขัดแย้งกับอิจฉาริษยามันขัดแย้งกับทุกๆเรื่องขัดแย้งกันหมดเลยกับอวิชชาและอาสวะที่อยู่ข้างในของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาเรื่องอาการสามสิบสองไม่มาพบพระพุทธเจ้าไม่มาขัดเกลาจิตใ จ, ใจของเราอาสวะเหล่านี้ก็จ ะ, จะเจริญเติบโตเป็นใหญ่ในจิตในชีวิตในรูปในนามนี้ มันก็จะพาเราไปอย่างเดิมอะเกิดมาแล้วก็บ้าบ้าบ้าบ้าบ้าแก่เจ็บตายไปเฉยเฉยแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนอีกไม่รู้แล้วก็จามาเกิดเป็นมนุษย์อีกใช่ไหมก็อย่างเดิมก็นึกสภาพดูแล้วกันถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้านะถ้าไม่เจอพระพุทธเจ้าอะไรเกิดขึ้นเราเกิดมาเนี่ยล้วก็ดูได้เห็นได้เพราะมาเกิดมาจากท้องแม่ปับ๊บโตขึ้นมาอย่างที่ว่าพอเริ่มเสร็จแล้วก็เขาก็สอนให้เรียนรู้เริ่มกินนอนเที่ยวมีเพื่อน แล้วก็หาแต่สิ่งที่ถูกใจหาอะไรที่ถูกใจก็อย่างที่พูดเมื่อกี้หารูปที่ถูกใจหาเสียงที่ถูกใจหากลิ่นที่ถูกใจหาสัมผัสที่ถูกใจหารถที่ถูกใจหาอะไรก็ได้ที่มันถูกใจพอไม่ถูกใจไปไงขัดใจเพราะนั้น ใ, นในใจของเขาจึงมีสองสถานะเท่านั้นคือรักกับชังคือชอบไม่ชอบ พอใจกับไม่พอใจที่เป็นใหญ่อยู่ในจิตใจของเขาท่านั้นของพวกอาสวะทั้งหลายเลยต้องไม่เจอพระเจ้าเป็นแบบนี้นั้นพระพุทธเจ้าพอตตรู้พระพระุทธเจ้าบอกเลยดูก่อนตันหาผู้ก่อสร้างซึ่งเรือนตัดรู้ปั๊พระพุทธเจ้ารู้ทันอย่างนี้เลยบอกตันหาผูา้ก่อสร้างซึ่งเรือนเรารื้อเรือนของเจ้าแล้วเจ้าไม่สามารถที่จะนำพาเราเข้าไปสู่ปบชาติต่อไปอีกเลยครั้งนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเจ้าแล้ว ที่จะสร้างเรือนสร้า ง, ร, างร่างสร้างเรือนร่างให้กับเราเนี่ยมันกระจ่างชัดแจ้งไปถึงขนาดนั้นให้เราก็เหมือนกันแลยถ้าเราประสงค์ที่จะขัดเราเราต้องเข้าใจเรียนรู้เรื่องอาการสามี่สองนี้ไว้ขวากไว้เลยท่องให้ได้จำให้ได้แล้วก็เทคนิคนะเทคนิคในการที่จะจานำมาเสกเลยเนี่ยจะกินข้าวก็ก่อนตา ก, ก็ อ่ะอติอิมาทำมิ่งก็ยเกตัลุมานั ก, กนั้นตาสัก่วโงต่อมเลยให้จบเสร็จแล้วก็ไปกินเ ข, นข้าเสร็จถึงเวลาจะดื่มน้ําจับมาถึงก็ อ, อติอีมาทำมิ่งก็ยเกตัลุมาหนักเร า, าเสร็จจบปุ๊บแล้วก็ค่อยๆเปิดขวาแล้วก็กินเข้าไปรับรองแม่น <c oughs> <c oughs> ขึ้นจิตขึ้นใจแน่นอนเ อ, อ้าจริงๆ อันนี้เราพูดกันเพื่อไม่ให้มันเครียดเครียดนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้กรรมฐานให้อันนี้นะให้อันนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วพระที่เข้ามาบวชกับพระพเจ้าที่อยากจะมาศึกษามาขอก ร, รมฐานพระพเจ้าก็ให้ให้กรรมฐานอันเหมาะกับจริตของคนคนนั้นแต่กรรมฐานที่ง่ายก็อยู่ในอาการสามสอง ปัาถหามันต้องเรียนมนอะไรก็ต้องท่องพุทธมนีน่แหละนี่เดี๋ยเรียกว่าพุทธมนคือมนของพระพุทธเจ้าให้ไปจําไปท่องไปท่องไปจําไปท่องก็คืออาการสามพิท r o n นี่แต่วันนี้ดีใจนะหลังจากพูดไปเดือนเดือนที่แล้ววันนี้โอ้ยท่องเงินเสียง น, นันต้องอย่างนี้นี่ก็ถูกก็พาท่องได้แล้วสิวยอะ <laughs> นี่ได้แล้วโดนดัดเย็ดทั้งลูกทั้งทั้งลูกทั้งแม่องไปทองกลับได้เหรอเอเอต้องอย่างนั้นนะนุ่นได้ยังฮะควงแล้วเป็นไงต้องแปไว้ได้ใช่ไหมเออนี่ได้แล้วได้ยังยังเขาไม่โดนดัดเย็ดเหรอ ต้องไปถัดท่องให้ได้ท่องไม่ได้แล้วจะเสียภูมิคนปฏิบัติเราเรามันสามารถไปต่อยอดการปฏิบัติของเราได้นะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะว่าพอเราน้อมนึกก็ไปถึงผมอย่างเงี้ยจิตมันวิ่งป๊อไปที่ผมมันจะซื่อตรงมากเลยมันจะรู้แบบซื่อเลยเป็นอุชุภูตคือรู้ซื่อๆไปเลยแล้วไปในตัวรู้นั่นนะ พอรู้ว่าเส้นผมของตนเองมีสีอย่างนั้นสันฐานรูปทรงอย่างนั้นหอกตรงนั้นหมกตู๋ตรงนั้นจิตที่พุง่งเข้าไปที่มีผมเป็นอารมณ์รู้ตัวนั้นเป็นนิสิตะอะไรคืออนิสิตะรู้ตัวนั้นเป็นอนิสิตะสําหรับคนที่ภาวนามาแล้วเมื่อมาระลึกถึงเส้นผมรู้ตัวที่รู้ก็ไปเส้นผมคืออนิสิตะ ก็คือมันไม่เป็นที่อาศัยของอะไรไม่เป็นที่อาศัยของตัณหามานาทิฏฐิหมายถึงตัวรู้นะรู้ที่เราฝึกฝนมาแล้วถึงเวลาที่เราจะมาดูอาการสามิบสองเรามารู้เส้นผมของเราแค่รู้ซื่อๆตรงก็ไปสู่เส้นผมลักษณะที่เป็นสีเป็นเส้นหอกที่เกิดที่อยู่ดูเข้าไปรู้ที่เห็นเส้นผมนั้นแหละเป็นอารมณ์อยู่รู้นั้นเป็นอนิสิตา ในขณะที่มันรู้เส้นผมอยู่เนี่ยมันไม่มีตันหามาน่าทิถิอัญญะมเหธยาโดมันไม่เบียดเบียนใครปรินิพุโตดับปรุงการดับการปรุงแต่งนะอุปวเดยักกันจิตไม่ว่าร้ายใครที่ตามาบอกว่ามันลดภาระสร้างอากุศลให้กับจิตเยอะมากซึ่งเรื่องพวกนี้มันตามมาก็ช่วยโยมได้แค่พูดถูกไหม พูดให้ฟังทำความเข้าใจปลุกใจส่วนเราจะได้หรือไม่ได้เราก็ต้องไปทำเองท่องเองสาธยายเองพิจารณาเองมันก็จะได้เกิดผลเองเนี่ยก็ทำได้เท่านี้แหละก็คือพูดพูดพูดยัดเยียดเข้าไปบังคับเข้าไปเพราะว่าอยู่ในห้องออกไปไหนไม่ได้พูดใส่เข้าไปอัดเข้าไปใส่เข้าไปอัดเข้าไป แต่คนรุ่ น, ร, นรุ่นนี้มันจะรับลำบากหน่อยรับลำบากหน่อยแต่มันต้องรู้ให้ได้เพราะมันคือความจริงไอ้รุ่นฝั่งโน้นเนี่ยแต่มาไม่ค่อยห่วงเขาเลยฝัง่งโน้นคือฝั่งโน้นนี่เขเคยต่อสู้อะไรมารู้ไหมนี่เราแยกโซนคนออกวันนี้ใครจัดเนี่ยคือฝั่งนี้ ฝั่งฝั่งใบขนะเนี้มันยังต้องต่อสู้กับอะไรผมหอกผมแตกปลายผมร่วงอะไรนะผมอะไรนะผมแห้งผมอะไรก็ไม่รู้อีกเยอะเนี่เราต้องสู้นะไอ้ขวางนู้นสู้จนแพ้ขวางนู้นเป็นพยานยืนยันให้ขวางนี้รู้ว่าสู้ยังไงก็ ไม่ชนะสู้ยังไงก็แพ้หลวงไอสิ่งที่เรากำลังสู้กันอยู่นี่นะเขาสู้กันมาอย่างสาหัสสากันแต่สุดท้ายเขาแพ้เพราะมันเป็นอนิจจงังมันเป็นทุกขังและอืมอืม <c oughs> อะไรนะจริงได้แต่ท้องก็ก็พระพุทธเจ้าบอกว่าขั้นแรกให้สาธยายก่อนให้ท้องก่อนท่องให้ได้ก่อนเพราะท้องปักกับไปที่หัวของตนเองผมข่าวนี้ฉันเพิ่งโกรกมาเมื่อตอนเย็นมันจะขัดแย้งในใจแล้วต่อไปมันก็จะหยุดเองแ่ละมันจะปล่อยเองนหะแต่การที่เราโกรกหรือไม่โกรกเราสะหรือไม่สะเราเราดูแลหรือไม่ดูแลมันไม่เกี่ยวกับการพิจารณานี้ มันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวการพิจารณนี้คือการรู้ตามความเป็นจริงแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปปล่อยให้มันกระเซิรกระเซิงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปปล่อยให้มันสกระปรกโรคกรุงรังมันไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ว่าเราต้องต้องปล่อยให้มันเป็นความลำบากของการใช้ชีวิตมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะการรู้นี้คือรู้ตามความเป็นจริงไม่ไปยึดติด แต่การใช้ชีวิตมันจะต้องปรับให้เข้ากับสภาพภาวะที่มันเป็นเข้าใจเปล่าฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าข้างอันนี้คือความจริงแต่เวลาพิจนราจริงๆนะท่านมันจะเห็นผมเออเห็นผมันอืมเราเราเออ ทีนี้เราจะต้องปรับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์นะในใอายุขนาดนี้โอจะไปงานเลี้ยงเง้หลวงพ่อเทศมายกหยกช่างมันผมไม่ใช่ของเราปล่อยฮเหม็นกระสือกระสือย่ายว่าจะไปงานเลี้ยงนะลูกเข้าวัดพระยังไม่ค่อยจะรับเลย พระเขามองว่าอะไรหรือว่าเรามองว่าเราไร้สติไม่รับผิดชอบไม่ดูแลซึ่งมันคนละเรื่องกันคนที่มีการจเจริญสติรู้ความจริงสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเข้าไปจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากก็จึงยกตัวอย่างพนันนางวิสาขาใช่ไหมคนดังมันลีการางวิสาขาล้ยหลายๆนางเลยในอดีต เวลามันจะไปปล่อยให้กระเซาอรกระเซิงโรครุงรังอยู่อย่างนั้นน่ะน่าเกลียดน่ากลัวอย่างนั้นน่ะมันก็คือคนที่มีความทุกข์มากจนไม่อยากจะอยู่แล้ว อ, อืมคนที่มีความทุกข์ในชีวิตมากแก้ไม่ได้แล้วไม่รู้จะทำยังไงแล้วเลยปล่อยชีวิตไอ้นี่ก็เรียกว่าจิตตะเข็บะเคยได้ยินไหม กิตตะเขปะไปะเป็นภาษาไทยก็บ้าเหมือนนางคนหนึ่งชื่ออะไรปาตาจาราเคยได้ยินใช่ไหมเออที่ลูกตายแล้วก็ปล่อยบางคนอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าใครแต่ว่าบางคนพอแต่งงานแต่งกาพรพอมีลูกคนอ่ะโอ๊ยแต่ก่อนเป็นสาวแต่งตัวดี เรียบร้อยสะอาดสะอนพอมีลูกนันปล่อยอจนจนสามีหายไปไหนไม่รู้ <c oughs> ที่พูดอย่างนี้ให้แยกให้ออกว่าไอ้สติปัญญากับความรับผิดชอบการดูแลตัวเองเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าโอยเราต้องอาบน้าให้ตัวเองสะอาดต้องหวีผมไม่เรียบร้อยจะไปไหนมาไหนต้องแต่งตัวให้มันสะอาดสะออาน แล้วพอความหลงพ่อพูดเฮ้ยนี่มันเป็นความหลงนี่วมึงทำโดยไม่หลงก็ได้เอาใช่ไหมเอา ถ, ถูกไหม่ะถูกไหมข้างหงางลังอะ่ะข้างหลังอ่ะเราทำโดยที่เราไม่ต้องหลงก็ได้ทำเพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตแต่มันต้องไม่เป็นทุจริตมันจะต้องไม่เป็นอกุศลกรรม มันต้องไม่เป็นทุติยดแต่เราทำไม่ได้ทำไมโดยที่เราไม่ต้องไ ป, ไปหลงก็ไดออพ้พอการเอาสติสมาธิและปัญญาเข้าไปเรียนรู้เพื่อปรับปรุงเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้มุมมองในชีวิตของเราเปลี่ยนไปทัศนะความคิดต่างๆของเราเนี่ยมันจะกว้างขึ้นความยึดติดของเราก็จะลดลง อิสระทางใจของเราก็จะเกิดขึ้นเยอะมากที่สําคัญความอิจาริทยาที่มันมีอยู่มากๆนั้นมันจะลดลงไปด้วยคือพอตัวนี้มีการศึกษาจเจริญพิจารณาขึ้นมากๆความอิจาริทยามันลดลงนะเออมันเป็นไปของมันอย่างนั้นเลยความอิจาริทยาจะลดลงตามความจเจริญขึ้นของการพิจารณาเพื่อให้ได้ถึงสติและปัญญาอย่างนี้และเมื่อมีมุมมองในชีวิตที่เปลี่ยนไป ชีวิตนั้นมันจะอยู่ในโลกปกติแต่มันมีเป้าหมายมันก็มีเรื่องเล่าให้ฟังมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดมาเนี่ยพ่อแม่รวยโอหรวยมันต้องได้ปู่ย่าโน่อนนะทรัพย์สินสมบัติเยอะแล้วหน้าตาดี รูปก็ลอเสียงก็เพราะไปไหนมาไหนก็มีแต่แล้วสมัยก่อนเนี่ยมันมีอ่ามีสองพิธีก็เรียกอาวาหะมงคลกับวิวาหะใช่ไหมอาวาหะกับวิวาหะรู้จักป่าอ๋อมันไม่รู้จักเลยอาวาหะมงคลก็คือการฮะนำผู้หญิง ไปเออวิวาหะมงคลวิวาหะมงคลก็คือผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายอาวาหะมงคลผู้ชายไม่มัน <laughs> สับๆตรงนี้แตมาก็ไม่ค่อยชัดตรงนี้เพราะว่าเคยเคยรู้แล้วมันลืมไปแล้วแต่ว่ามันมีอาวาหะกับวิวาหะนี่เด็แกมี ความคิดนะชายห น, นุ่มคนนี้คิดตั้งแต่ตอนอายุสิบหกสิบเจ็ดคิดอยู่เรื่อยๆดูพอปูกอป่กับย่าไอ้ปู่กับย่าใช่ไหเออปู่กับย่าตายไปปับ๊บสมบัติของปู่ก็มาเป็นของพ่อกับแม่เออแล้วปู่เห็นกิิยาของปู่ที่เดินในฐานะเศรษฐีผู้มั่งคั่งไปไหนมาไหนโอ้ยเงินทองเยอะแยะกินอาหารเลี้ยงมนยิ่งใหญ่เหลือเกิน แล้วทำไมพอตายแล้วไอ้ทรัพย์สินสมบัติปู่ไม่ได้ไปทั้นี้เดียวอะ่ะพ่อเอาหมดแล้วทีนี้ผมมาถึงสมัยพอ่อตอนนี้พ่ออยู่แกก็คิดอะ่ะแล้วอีกหน่อยหนึ่งพอพ่อตายไอ้สมบัติพวกนี้ก็จะต้องตกมาอยู่ที่เราแล้วเราก็ไม่ได้ใช้มันพอเราตายมันก็ตกไปอยู่ที่ของคนอื่นโอ้ย อย่างนี้เราจะต้องไม่สร้างคนขึ้นมาเพื่อให้เป็นภาระต้องมารับไอ้ทรัพสมบัตินี้อีกก็เลยตั้งใจว่ายัางไงชาตินี้คุณไม่แต่งงานไม่ว่าวิวาหะหรืออาวาหะไม่เอาไอ้ <c oughs> ชายหนุ่มคนนี้นะพอเสร็จแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่อีกต่างเมืองมันคิดอย่างนี้เหมือนกัน เห็นเพื่อนแต่งงานพโตขึ้นมาเป็นเด็กนะเห็นพี่สาวเห็นญาติเห็นคนโน้นที่ก็ไปมีคู่แต่งงานแต่งการเป็นครอบครัวแล้วมีในเรื่องทะเลาะบบาแวกมีในเรื่องไม่เห็นจะมีความสุขเลยมันก็ขวางใจมันก็คิดคิดคิดคิดคิดจนในที่สุดมันก็ตัดสินใจว่าชาตินี้มันก็ไม่แต่งงานไอ้ผู้หญิงคนนี้นะอายุไล่เลี่ยกันพอถสร็จแล้วเขา ฝ่ายพ่อของผู้ชายบอกต้องแต่งงานไม่แต่งไม่ได้ลูกชายคนเดียวต้องแต่งต้องมีทายาทใช่ไหมทีนี้ก็ลูกชายก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเขตัดสินใจเอาคนมาหล่อรูปผู้หญิงเอาทองคํามาหล่อรูปผู้หญิงที่สวยมากสวยกะว่าให้ในโลกนี้ไม่มีใครสวยอย่างเงี้ยแล้วบอกพ่อว่าเนี่ยถ้าได้ผู้หญิงหน้าตายอย่างเงี้ยเอา <laughs> เออบอกพ่อนะถ้าได้ผู้หญิงที่หน้าตาอย่างนี้ อ, อ๋อแต่ในใจนั่นบอกว่าออยังไงก็หาไม่เจอพ่อเลยตั้งคนแปดคนเป็นคนที่มีวิชาความรู้และกว้างขวางมีอิทธิพลจ้างเลยบอกเดินทางออกไปเลยนับจากบ้านเราในตั้งคณะธรรมานออกไปด้วยตีแผ่ออกไปให้มันกว้างกินพื้นที่เลยทุกขอบเขต หาให้เจอผู้หญิงที่มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แต่และคนก็มองกันและจํากันไว้จํากันไว้จำรูน้นะออกไปถึงถึงเมืองเมืองโ น, น้นไปเจอผู้หญิงคนอีกคนหนึ่งที่ว่ามันดันมีหน้าตาคล้ายเข้าไปรูป <laughs> ก็วิ่งกลับมาบอกที่บ้านบอกเจอแล้วพอเจอแล้วก็ไปเจราจากับผู้หญิงคนนั้นที่บ้านของผู้หญิงคนนั้นทางฝ่ายโน้นเขาก็ะกูลมันใกล้เคียงกันเขาก็ตกปากรับคำ ผู้หญิงไม่อยากแต่งงานผู้ชายไม่อยากแต่งงานเขาเลยตัดสินใจเขียนจดหมายหากันผู้ชายก็เขียนจดหมายบอกว่าน้องหญิงข้าพเจ้าไม่สามารถาทำหน้าที่สามีและให้ความสุขกับน้องหญิงได้หรอกข้าพเจ้าไม่มีความประสงค์จะแต่งงานเลยขอน้องหญิงอย่าต้องมาเป็นทุกข์ใจกับข้าพเจ้าตลอดชีวิตนี้อีกเลยเขียนไป ผู้หญิงก็เขียนจดหมายเขียนจดหมายว่าเออข้าแต่ท่านพี่อะไรเงี้ยว่าไว้เขียนแกล้งเนื้อความใกันนะเดี๋ยวก็ผู้หญิงก็จ้างคนให้เอาหนังสือมาส่งให้กับผู้ชายที่อีกเมืองผู้ชายก็จ้างคนให้ไปส่งหนังสืออีกเมืองไอ้คนที่ไปส่งหนังสือมันไปเจอกันกลางทางเฮ้ยมาเันนี้เนาะคุณหนูให้เอาจดหมายไปส่ง อ้องเราคุณชายก็าเห่อเจอหมายไปส่งเฮ้ยก็เขียนกันว่าไงว่ดูสิแกะดูพอแกะดูพวกนี้ก็เลยแปลงศารเขียนใหม่เขียนผู้หญิงก็บอกว่าโอ้ยคิดถึงท่านพี่เหลือเกินผู้ชายก็บอกว่าโอ้ยอยากจะแต่งวันแต่งคืนนึกถึงเวลาที่จะแต่งมันนื่นมันเนิ่นช้าเหลือเกินอะไรเงี้ยโอ้ยแย เสร็จเรียบร้อยต้องแต่งพอแต่งปับ๊บคือคขาคนก็เรียกว่าศีลเสมอกันใช่ไหมเออมันเข้าใจกันต่างคนต่างเข้าใจกันพอขึ้นแต่งงั้นก็ขึ้นพีติโบ ก, ก็เข้าวหอ่อเตียงปับ๊บก็ดอกไม้มาตั้งกลางอยเอาไปใช้นะก็อดอก็อดอกเ อ, อากระถางเอากระถางดอกไม้มาตั้งกลางแล้วก็อยู่กันอย่างงาั้นรอจนกว่าพอ่อแม่ตัวเองตาย แล้วทรัพย์สินสมบัติก็จะตกมาที่ตนเองก็เลยตัดสินใจรวบรวมทรัพย์สินสมบัตินั้นน่ะแจกจ่ายไปยังสาธารณประโยชน์ต่างๆแล้วตนเองสองคนก็โกนหัวถือบวชถือบวชบวชเองก็เรียกว่าจาริกเดินไปนพอเดินไปตันงที่ ดูความคิดที่มันพัฒนาขึ้นมานะสติปัญญาที่มันพัฒนาขึ้นมาจากการเริ่มตัดสินใจบวชบวชเสร็จแล้วยังเดินตามหลังกันอยู่อ่ะพอเดินตามหลังกันอยู่ไอ้ผู้หญิงพูดนะเว้ยท่านพี่เราตัดสินใจเสียสละทรัพย์สินสมบัติแล้วออกมาเป็นอนาคาริกคือไม่มีเรือนแล้วแต่เรายังมาเดินตามหลังกันอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์นะผู้ชายบอ ผู้ชายก็คิดจะพูดอยู่แล้วแต่กลัวผู้หญิงจะเสียใจผู้หญิงกับผู้ชายก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นทำยังไงดีฉันไปทางหนึ่งเธอก็ไปทางหนึ่งแล้วกันผู้หญิงก็เดินไปจะเจอสำนักพิษุณีผู้ชายก็เดินไปเจอพระพุทธเจ้าอายุมากแล้วไปถึงก็ได้ก็ได้บวชเป็นพระอราหันต์ที่มีชื่อเสียงมากนี่ คือพระมาหากัสสปะผู้หญิงก็คือนางพัฒกาติลานีเนี่ยมุมมองของชีวิตคนมันอยู่ที่นี่มันอยู่ที่ที่การการพอมันอยู่กับการพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะเห็นแล้วมันก็จะเปิดมุมมองกว้างออกไปอิสระของชีวิตมนจะเกิดขึ้นมันไม่ใช่ไปยึดอยู่เรื่องนิต จ, จังเรื่องสุขขังเรื่องอัตตาตาย ถ้าเรายึดในเรื่องนิจังสุขขังอัตานะเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายไปไม่ได้ประโยชน์จากความเป็นมนุษย์จากรูปจากนามนี้วันวันก็นั่งลุ่มหลงหลงไหลอยู่กับสิ่งที่นํามาแปะอยู่กับรูปนามนี้สิ่งที่มาแปะอยู่กับรูปนามนี้มันเยอะมากนะแต่เราก็หลงไหลมันนะเราไม่เคยได้อยู่กับรูปกับนามเวลาเราจะมาอยู่กับรูปกับนามเราทีหนึ่งเนี้ยเข้ามาเนี่ย มันนั่งฟังพระพูดชวนเชื่อให้มาพูดเรื่องผมเรื่องก้นเรื่องเล็บเรื่องควันเรื่องหนังเรื่องเนื้อเรื่องในเรื่องของตัวเองแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็ไม่ได้คิดหรอกเว้นไว้แต่มันมีเหตุเพราะฉะนั้นพอเราหันมาคิดพิจารณาเรื่องนี้มันจะเปิดมุมมองของชีวิตของเราทันทีเลยมันจะเปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นกระแสของความรู้เป็นเบื้องต้นก่อนแล้วจึงจะเกิดเป็นความเห็นที่เป็นกำลังขึ้นมาจากกระแสของความรู้นี่แหละมันจะเป็นกำลังขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งเกิดการเห็นพอเห็นแล้วนี่ตอนนี้เราทุกคนนี่นั่งเรานั่งเนี่ยกังวลแกแล้วจะทำยังไงถ้าต่อไปป่วยแล้วจะทำยังไง ไอคนเป็นแม่นี่ยก็ห่วงลูกสาวป่านนี้ยังไม่แต่งงานนะคือเกิดเราไม่อยู่แล้วจะทํำยังไ ง, งอะอะเออแล้วคือมันมีแต่ความกังวลใช่ไหมพระเจ้าเรียกกินเจนงังปัสตโตนัตถิกินเจนงังความกังวลเหล่านี้จะไม่มีสําหรับผู้ที่เห็นอยู่คือต้องเอาความรู้พิจารณาไปเรื่อยจนเกิดเป็นความเห็น ความเห็นนั้นแหละมันจะทําให้ความกังวล น, นี้หายไปแล้วมันจะอยู่ยังไงมันก็อยู่เป็นสุขกับสภาวะที่มันปรากฏในปัจจุบันเนี่ยอะไรเกิดก็อยู่นั่นอยู่กับนั้นอยู่กับนั้นอย่างมีสติมีสติอยู่กับสิ่งที่มันเกิดไม่ว่าใครถ้าไม่มีไม่เว้นแม้แต่พระแม้กระนักบวชนักบวชบางทีก็ต้องบวชมาตั้งยี่สบสมสิบปีมานั่งคิดเรื่องเนี้ย ต, ตัวเองยังหนุ่มอย่างพ่อก็ยังไม่แก่นะเว้ ก็นั่งนึกเอ้ยแกถึงกูจะอยู่ยังไงวะเ น, นี่ยให้ดีนะไปเจอหลวงปู่หลวงตาองค์ที่อยู่ท่านลำบากที่ตอนนอนป่วยติดเตียงไม่มีใครไปดูยิ่งยิ่งไปิดโรงพยาบาลสงฆ์นะโอ้โหพระหนุ่มๆไปโรงพยาบาลสงฆ์ศึกไปเยอะแล้วคือมันไม่ได้มุมมองแบบนี้ไงพอไปถึงมองเห็นปั๊บมองเห็นอะไรโอแกแบบแกแนอนนะ คนกินก็ไม่มีมองหนไม่ ม, ไมีไปรุบาลอื่นคนแก่ๆ ก, ก็มีลูกมีหลานรู้คอยดูแลอย่างนี้แต่พระไม่มีใครเล ย, ยลำบากสึกดีกว่า <c oughs> มันจะกลับหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะมันกลับตลัปัดไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียนรู้เรื่องอาการสามทิบสองไม่เปิดใจให้เข้าถึงเรื่องความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตากระแสความรู้ตรงนี้ไม่เกิด มันจะมีจิตซึ่งตกอยู่ใต้อานาจของตันหาอุปาทานทยานออกไปเพื่อเสวียานิจังสุขขังอัตตาตลอดเวลาตลอดเวลามันพร้อมพร้อมที่จะไหลไปกับสิ่งที่เห็นพร้อมที่จะไหลไปกับสิ่งที่ได้ยินพร้อมที่จะไหลไปกับกลิ่นที่ได้สรสได้สัมผัสและกับสัมผัสพร้อมกับสิ่งที่นึกคิดเมื่อมันเกิดขึ้นมาปับ๊บมันพร้อมที่จะไหลออกไปด้วยความเป็นนิจังสุขขังอัตตาแม้ปากพูดเคยเรียนอภิธรรมมาเคยเรียนอะไรมาก็ช่างเหอะ แต่ถ้าไม่มีสรรมภาวะมารองรับความรู้ที่ปรากฏมันก็สุขขังมันก็นิจจังสุขขังอัตตาแสวงหาอยู่อย่างนั้นมันไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการอ่านคำฟรีมันไม่สามารถสําเร็จได้ด้วยการควังอย่างเดียวแต่มันจะต้องน้อมก็ไปพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้องค์ความรู้ที่เกิดมันจะมีสรรมภาวะรองรับความรู้ที่มันเกิดนั่นเรียกว่ารู้จริงแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแล้วมันก็จะเกิดภูมิของจิต ที่มันพัฒนาขึ้นมาจากความรู้ที่เราพิจารณานั้นไอ้ถามว่าโอ๊ยหนูยังสาวๆอยู่หลวงพ่อก็พูดในเรื่องอย่างเงี้ยเอ่ออย่าพูดเลยมันมันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เราจะเข้าไม่ถึงพระพุทธเจ้า ตั้แต่เช้ามาบอกว่าพุทธังสนางกชามิเรียกว่ายืนตัวตรงเงินน่ามองว่ากล่าวตะโกนตะเบ็งเสียงออกไปเลยว่าข้าพเจ้าจะถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงของข้าพเจ้าจนตลอดชีวิตนี้จิตมันก็จะเปิดออกไปและเขาจะมีศรัทธาในพระเจ้าน้อมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาพิจารณามาปฏิบัติมาเรียนรู้องค์ธรรมองค์ความรู้มันก็จะเกิดขึ้นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากความรู้ที่เราได้พิจารณาเนี่ยมันจะเป็นตัวรองรับ ประกาศความประจักษ์แจ้งกับใจของเราว่าเรารู้เราเข้าใจไอ้ความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนั้นมันจะปรับจิตของเราภูมิจิตที่มจะเปลี่ยนไปตามความรู้ความเข้าใจตามความรู้ความเข้าใจที่เป็นผลจากการเรียนรู้นั้นอ่ะมันปรับภูมิจิตไปเลยแต่ก่อนขี้โกรธเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เราไม่ขี้โกรธแล้วอ่ะเมื่อก่อนเราขี้ฉาทําไมเดี๋ยวนี้เราไม่ขี้ฉาแล้วอ่ะเมื่อก่อนเห็นคนที่สวยกว่าไม่ได้นะต้องเละตาเอ๊ะแต่เดี๋ยวนี้ทำไมเราไม่เละแล้วว่ะ เ, เมื่อก่อนเราเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ทำไมเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วอํานาจของอาสวะหรือกิเลสตถามันจะมีกําลังลดลงจิตที่ต่อเนื่องมากับสติสมาธิและปัญญาพร้อมด้วยองค์ความรู้ที่ต่อเนื่องนั้นมันจะปรับภูมิจิตของเราให้มีอํานาจขึ้นกิเลสตถาก็จะมีอํานาจลดลงเมื่อลดลงบริเวณของเขาก็จะหายไป นี่คือการขัดเกลว์นี่คือการขัดเกลว์ขัดเกลวไปเรื่อยๆขัดเกลวไปเรื่อยๆขัดเกลวไปเรื่อยๆการกระทําทั้งหมดที่คุยกันมาวันนี้เรียกรวมๆว่าสันเลขะสันเลโขสันเลขาธรรมสันเลกกระทสันเลกกระทคือภาพของการขัดเกลวก็คือการขัดเกลว์ที่ต้นฟังก็ดีทั้งทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าสันเลขะสันเลโกสันเลกกระท คือทำคือการขัดเกลา์อ้อาวให้สิบนาทีใครมีคำถามถามดยเดี๋ยวจะเข้าภาวนารอบบ่าย ม, มีคำถามกันไหมไม่มีหรอกครั้งนี้พวกนี้เก่งๆพ่อครับครับมีคำถามครับาถามว่า ถ้าจะปฏิบัติทำถึงพระนิพพานเนี่ยโดยไม่ผ่านอสุภะกรรมฐานหรือการสาธิสองเนี่ยจะได้ไหมครับก็ลองดูก็ลองดูมันก็ได้แหละเพราะเพราะว่าอนิจจสัญญาทุกขสัญญาและอนัตตสัญญาสามารถเกิดได้ มันเกิดได้ถ้าหากว่าพื้นฐานใจของเรามีมากพอทำมามากพอถ้าเราทำมามากพอเราก็สามารถที่จะเกิดได้แหละถ้าเราลมหายใจเป็นกรรมาฐานได้อ่ ะ, <ล>ะด้มันก็ได้เลยแต่ถ้าท่องได้มันก็ดีได้แต่ว่ามันก็ท่องได้มันก็ดีไหมล่ะ แค่รู้ลมหายใจได้ทุกอย่างอืได้ทุกอย่า ง, างแต่เราไม่ผ่านอสุภะกรรมฐานก็ได้ถ้าเราสามารถสํารอกราคะออกไปได้เอาคนที่ถามตั้งใจฟังนะคนที่ถามอถ้าเราสามารถสํารอกราคะออกได้เราไม่ต้องผ่านอสุภกรรมฐานหรอกเพราะว่าราคะนั้น มันไม่ใช่เรื่องเล็กมันพอกอยู่ใหญ่โตเหลือเกินมันจะต้องเล่นยาแรง <Yeah. S 1> อ่ามันต้องเล่นยาแรงและยาที่สามารถปราบตัวราคะได้เนี่ยก็คืออาสุภะีเราเราไม่สามารถที่จะ มีเวลาหรือเราไม่สามารถที่จะไปพิจารณาหรือจะไปทําได้ไอ้ น, นี่คือเหตุผลนะจริงๆเป็นเหตุผลของคนที่ยังไม่ได้ทำนี่ถามว่าเอ้ยถ้าจะรู้แต่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปศึกษาอารูปะกรรมาฐานได้ไหมได้ก็ตมาจะบอกว่าถ้าเชียงใหม่ฮะเชียงใหม่คำว่าเชียงใหม่เนี่ยเราจะไปเชียงใหม่ เออหลวงพ่อครับผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมลงไปทางยะลาได้ไหมได้ยูเทินกลับมาได้ไหมไปเชียงใหม่มุ่งไปทางยะลาได้ไหมได้ไดก็ยูเทินกลับมาเออหลวงพ่อครับแล้วผมไปเชียงใหม่เนี่ยผมขับรถไม่เป็นอ่ะอยากเดินไปได้ไหมเดินไปอย่างเดียวได้ได้ได ไอผมรีบอ่ะผมอยากนั่งเครื่องบินไปได้ได้อยากรถขับรถไปได้ไหมได้นั่งรถทัวร์ได้ไหมได้ไปเถอะแค่ถึงเร็วถึงช้าเท่านั้นเองออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเที่ยวไ่อยู่ทั้งหลาเดินอย่างเดียวเลยอย่าตายนะเดินเดี๋ยวก็ถึงฮะ อย่าตายเดี๋ยวก็ถึงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแต่สำหรับคําถามว่าถ้าเราไม่เอาอาสุภะเราสามารถถึงนิพพานได้ไหมเยอะแยะเขาได้เป็นพระอาหารหันต์โดยไม่ต้องผ่านอาสุภะนะเยอะแยะแต่ว่าส่วนมากอ่ะมันยุคพระพุทธเจ้าพวกที่มันเกิดมาอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าในส่วนใหม่ส่วนใหญ่อะมันมันปิ่มน้ําแล้วมันใกล้ๆแล้ว อันนี้เราห่างมากกว่า 2,500 ปีเราเกิดมาในแล้วก็นอนห้องแอร์มาชั่วชีวิตที่นอนก็นุ่มผ้าห่มก็นุ่มอะไรก็สบายสบายทุกอย่างแล้วทั้งหมดอะไรเป็นตัวรัดรึงไว้อะไรรัดรึงไว้รู้ปะ่ะราคทาทั้งนั้นมันมันมันผสมประสานกลมกลืนกันไปหมดเลยและเราบอก เราไม่เอาอสุภะได้ไหมได้ได้หมดอะแต่เราแค่เราสํารอบราคาได้ก็โอเคไม่ต้องเอาอสุภะถ้ามั่นใจก็ลองดูอันนี้พอให้พิจารณาถึงอาการสามสองหยีแล้วอะลองนึกภาพสิลองนึกภาพว่าเรารู้สึกยังไงเข้าไปในกระเพาะตัวเองอาหารที่เราเพิ่งกินไปเมื่อตกี้เนี่ยตอนนี้มันกําลังย่อยร่อยย่อยยอ ย, ย, ยเดินทางออกไป ไปเจอมูดมูดรู้จักไหมฮะมูดมูดก็มาจากไหนก็มาจากน้ําย่อยที่กระเพาะมันยิงออกไปแล้วก็ที่น้ําดีถุงน้ําดีมันปล่อยออกมาสองอย่างเนี่ยมาผสมประสานให้มันกลมกลืนกลมกลืนกันอยู่เพื่อให้ตล่อมตล่อมตล่อมไอ้พวกที่มันเดินทางอยู่ในลําไส้เนี่ยที่มันช่วยย่อยตกตกิดออกมาก็เป็นเมือกเมือกหอยพวกกากเหล่าเนี้ขับเคลื่อนเดินทางออกไปไปจ่ออยู่ที่ลําไส้สุด แล้วก็เพื่อเพื่อที่จะค่อยๆค่อยๆยขย่อนออกมาแค่นึกอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงฮะฮะแค่ น, นึกอย่างเงี้ยเป็นไงอ่ะออสามรอกการอิสงะ ไม่เป็นไรได้หมดเราจะไม่ทําอะไรงั้นก็ได้ไม่ต้องอสุภัชก็ได้แต่ให้สํารอกราคะออกมาเส้นทางนี้มันเร็วเส้นทางของอสุภัชนี่นะมันเร็วมันเร็วและพวกที่จเจริญสติจเจริญอานานะถ้ามีอสุภัชเข้าไปด้วยเนี่ยมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่มีเครื่องเคียงกินก๋วยเตี๋ยวให้ถึงรถมันต้องมีเครื่องเคียง เหมือนกันนะอาณาถ้าไม่มีอสุภเข้ามาช่วยก็จะช้าหน่อยตามจริตนิสัยของคนด้วยนะตามของเก่าของแต่ละคนที่มีบางคนบอกนั่งไม่ได้เลยดูลมหายใจไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยอ่ะดูยังไงก็ไม่ได้ก็มึงยึดอยู่อะ่ะ <laughs> แค่ลมหายใจดูไม่ได้จะปฏิบัติอะไรเพราะอย่างอื่นสมมุติทั้งนั้นถูกว่าล่ะ ลมหายใจเราไม่ต้องไปกาหนดมันต้องหายใจป่าต้องหายใจป่าลูกลมหายใจเนี่ยมือนี่ถ้าเราไม่กาหนดได้ยกมันยกไหมแต่ลมหายใจเราไม่หายใจมันหายไหม <S <S ถ้าเราไม่บังคับมั น, ม, นมันหายใจป่ามันหายใจของมันตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเส้นทางการสู่อนาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะอะไร <S <S เพราะมันเข้าถึงด้วยการกาหนด เมื่อถึงพัฒนาถึงตืจุดแล้วมันจะออกมาจากการกำหนดแล้วมันจะเห็นการเคลื่อนของลมอย่างเป็นธรรมชาติอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นมันไม่มีให้เราดูอย่างเป็นธรรมชาติและจิตที่รู้ลมหายใจเห็นลมหายใจเคลื่อนข้าวเคลื่อนออกอย่างธรรมชาติ น, นั้นมันจะสามารถเห็นกายเป็นธรรมชาติเห็นอิริยาบถเป็นธรรมชาติเห็นทุกอย่างที่เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติได้เพราะนพระเจ้าท่านถึงบอกว่า อที่ขังอาศาสังที่ขังอสาศะสาักปัส า, สาอาศวิวัตเตติอุเปขาสันฐานังอุเบขาสันถาติหมายว่าจิตมันเราเราลีกออกมาจากการกําหนดลมหายใจมันจะเดินออกมาจากการกําหนดลมหายใจแล้วมาอยู่กับอะไรอุเบขาสันถาติคืออุเบขาปรากฏมันก็จะมาหยุดอยู่กับอุเบขา หมายความว่ามันออกมาจากลมหายใจแล้วมาอยู่กับอุเบกขาสติอยู่กับอุเบกขาอยู่ที่จิตตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นเมืมม่อลมหายใจไหลามาเองมันก็รู้ว่าลมหายใจแล้วออกแต่ไม่ไปคอยรอดูรู้ลมหายใจนั้นอีกแล้วไม่ต้องไปกําหนดบงังคับลมหายใจอีกแล้วมันหลีกออกมาจากการเป็นธรรมชาติด้วยการเจริญขึ้นของสตินั่นของลมหายใจถ้ารู้ลมหายใจได้ถ้ารู้ลมหายใจไม่ได้นะ่ะจะไปพัฒนปฏิบัติอะไร ปฏิบัติอะไรได้ให้ตรวจสอบดูตัวเองว่าเราพัฒนามาถึงไหนความคิดที่เป็นอกุศลเคลื่อนไหวอยู่ที่ใจของเราไหมตรวจสอบสิหรือมั่นใจว่าตัวเองไม่มีความคิดชั่วเลยในชีวิตวันๆน่ะมั่นใจไหมเออศีลตัวเองน่ะที่ถือนั่นน่ะมันบริสุทธิ์ด้วยการประคับประคองพยายามหรือมันบริสุทธิ์ด้วยธรรมชาติของใจที่มันไม่ปรารถนาอากุศลนีแล้ว มันต้องตรวจสอบตัวเองได้ตรวจสอบตัวเองเป็นอืเพราะฉะนั้นลมหายใจเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของธรรมชาติแต่เริ่มต้นกําหนดนะอะกําหนดเพราะแต่เดิมอะเราหายใจเป็นธรรมชาติขนาดนี้นั่งฟังหลวงพ่ออยู่นี่หายใจอยู่ว้านั่นแหละคือลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของเราแต่เดี๋ยวพอเราบอกว่าเอาเริ่มภาวนากันนะเป็นไง ต้องกำหนดใช่ไหมอ่ากำหนดมาก่อนอ้าวแต่ให้รู้พระเจ้าบอกอาณาปานนสติคือให้ระ ล, ลึกลมหายใจที่เข้าออกนั้นระลึกรู้ลมหายใจที่เข้าออกนั้นแม้กําหนดแต่ให้ระลึกรู้พอระลึกรู้ลมหายใจที่เข้าออกไปเรื่อยเรื่อยเรืยเรยรื่อยรอ ย, รยการ การที่ลมหายใจมันเข้าออกไปเรื่อยๆพร้อมกับมีการระลึกนั่นน่ะถ้าเรียกว่ามันจะเกิดเป็น limit, นิมิตอาจจะเรียกว่าอุค ข, ขานิมิตคือมันจะติดขึ้นมาคลายความกำหนดออกไปความเป็นธรรมชาติของลมหายใจก็จะปรากฏเพราะมันไม่ปรากฏไม่ได้เข้าใจะ่ะล่ะทำไมมันไม่ปรากฏเป็นไงตายมันไม่ปรากฏไม่ได้ แล้วมันมีสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการรู้ลมหายใจพวกเราที่นั่งที่นี่จะเชื่อว่าหลายคนแทบทุกคนมีความรู้จากการรู้ลมหายใจตัวเองเยอะมากพอสมควรแล้วในถ่วนที่เป็นสภาวะไ้ปรากฏต่างๆแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้เสียบท่อไอซไม่ได้นอนเจาะคอเรจะบอกว่า รู้เราหมใจมันรู้ไม่ได้เลยเนี่ยมันรู้ไม่ได้เลยไม่รู้เป็นยังไงมันรู้ไม่ได้โอ้ยปุดโตปุดโ ต, ดโต <laughs> อ่าก็ก็สุดแท้สุดแท้แต่แต่ว่ากันไปไอตัวอันตรายที่ใหญ่ที่สุดของเราเนี่ยนะก็คือตัวสัญญาไอกิเลสตัณหาอาสวะพวกนี้เรารู้แล้ว ว่ามันเป็นอันตรายแต่ตัวหนึ่งที่มันตัวสัญญาเนี่ยสัญญาคือความจําสัญญาคือความหมายรู้สัญญาคือความคาดหมายสัญญาคือความคาดหวังสัญญาก็คือความความรู้ล่วงหน้าโดยไม่มีสมุฐานจากความเป็นจริงสัญญาคือความรู้ล่วงหน้าโดยมีสมุฐานจากความเป็นจริงทั้งมีและไม่มี สัญญาคือความรู้ล่วงหน้าจากสมมตฐานที่เป็นจริงบ้างจากสมมติฐานที่ไม่เป็นจริงบ้างสัญญาคือความคิดสัญญาคือความคาดหมายที่เป็นปัจจัยแห่งการคิดว่านั่นคือสติสัญญาคือความคาดหมายที่ปรุงแต่งให้เกิดเป็นความคิดว่านั่นคือฮีริสัญญาคือความคาดหมายที่ปรุงแต่งให้เกิดการคิดว่านั่นคือเบตตาอันนี้น่ากลัวน่ากลัวแล้วก็ ทำทุกอย่างมันอันตรมาจึงพูดประโยคหนึ่งจำไว้ให้ดีให้ขึ้นใจเลยว่าเราตต้องมีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏให้ได้เมื่อใดที่เรามีความรู้รองรับที่สภาวะรองรับสภาวะที่ปรากฏเมื่อนั้นแหละเรารู้จริงในเรื่องนั้นเหมือนเด็กๆมันเล่นไฟอ่ะเราสอนมันไลยหนูไฟมันร้อนนะลูกโดนไหม้แต่มือมันพองโอ้มันเจ็บมันแสบมันปวด สอนมันทุกวันอะมันรู้ไหมรู้รู้ด้วยอะไรด้วยสัญญาที่มันจําไปจากเราไงแต่เผลอหรือไม่ได้นะเผลอไปได้นะเผลอป่ะมาเล่นเลยเราสั่งมันไปไอ้หนูมึงอย่าเล่นนะลูกเล่นหลายบ้านแล้วก่อนไปทํางานสั่งเด็กเลยอย่าเล่นไฟกันนะดูน้องด้อยใหญ่เล่นไฟนะกลับมาบ้านไหม้เป็นจุนก็มีอันนี้เป็นกันเด็ก อ, ะอ่ะพ่าบอกอย่าไปเล่นตะเกียงนะลูก มันก็เข้าใจเพราะเราสอนมันมันเข้าใจด้วยอำนาจของอะไรสัญญาแต่พอเผลอปับ๊บสัญญาเข้าไปไปปรุงแต่ง่า้เกิดความรู้ว่าตัวเองเข้าใจแล้วรู้ทันแล้วรู้จบสิ้นทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ก็เ <ๆ S 1> ปเล่นพอเล่นเสร็จได้ไงโดนตะเกียงมันไหม้พอไหม้เสร็จมันรู้ขึ้นมาว่าไงร้อนจริงเว้ ร้อนมันเป็นอย่างนี้เจ็บแสบมันเป็นอย่างนี้ปวดมันเป็นอย่างนี้ตอนนี้มันมีสภาวะขึ้นมารองรับได้ใช่ไหมนี่ความรู้มีสภาวะมารองรับความรู้ที่มันมีอยู่มันจึงรู้จริงต่อไปเราส่งตะเกียงให้มันมันทำไงมันวิ่งหนีแล้วนั่นเรียกว่ารู้จริงเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ที่บอกว่าให้มีความรู้รองรับสภาวะที่ปรากฏแล้วเราจะรู้ของเราเองพระพุทธเจ้าท่านจะไม่บังคับ ท่านจะบอกให้รู้บอกให้รู้บอกให้รู้บอกให้รู้บอกให้รู้แล้วเราไปพิจารณาแล้วเราก็จะเห็นโทษเห็นผิษเห็นภัยเห็นคุณเห็นประโยชน์ของมันเราก็จะเป็นผู้เลือกเองจากการที่เรามีความรู้และไปโรองรับสภาวะที่มันปรากฏนี่แหละและเราจะเป็นผู้เลือกตัดสินใจเองว่าจริงไม่จริงถูกหรือผิด